นิสัยว่าแม่ครูอาจารยม น, นขอขอคนเดียวรวมกันหมดขอทีเดียวท่านขอชี้ใจงผลใ น, นสามขอในการในเวลาบวชก็เป็นอย่างหนึ่งท่านขอในเวลาที่บวชเสร็จเตบว่าแล้วมารวมกันก็เป็นอย่างหนึ่ง น, นี่ขาดตอกเอาสุภันเตสท่านหวเพราะในขณะนั้นเป็นนามในในามลูกศิษย์ขอนิสัยจากอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว ถูกตั้งท่จะมีแปรอยู่เราไม่เคยเห็นเนนท่านให้ขอนนสัยเหมือนกันนะคือความพึ่งพิงสหับเนนองไหนเนาะให้ท่นานท่านท่านคอยนสัยคุ้มลึงเนนพอได้เป็นแบบฉบับพันึุให้เป็นข้อคิดสำคัญเพราะแม้วิการทำอะไรนั้นมีเหตุมีผลทุกอย่างนะ ท่านมีของท่านผูอกอางจำแม่ทำแบบสุ่มๆเดาๆดังที่เราทั้งหลายได้เห็นทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นแบบะบับที่ดีมากเสียที่เรายอมสะลรภาพท่านอยู่ก็คือภา้าบางสกุลท่านถือมาตั้งแต่ต้นเลยนะไม่เคยคลองกหาปฏิกิริ์เลย นี่เรายอมจริงๆเราไม่ได้ทำอย่างท่านท่านถือเป็นสำคัญมากบางสกุลมีอันนี้รู้สึกว่าเราเรายอมโทษจริงๆเราไม่ได้ถืออย่างท่านบางสกงงุลก็เอาค่าปฏิิวรก็เอาก็หกแต่ท่านเฉพาะ บางเฉพาะบางสกุลจีวรเท่านั้นเลื่ในวัดท่านยังไม่ปรากฏว่ามีกระถิน่นนะนเป็นบางสกุลทั้งนั้นอยู่ที่ไหนๆก็เป็นบางสกุล น, นไม่ปรากฏเป็นกระถิ่อันนี้เราก็ยอมท่านว่าก่อนเต็มทีด้อยเต็มทีท่านคงแนวเด็ดเต็มที ตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพราะตุรงขวัตินี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวใครไม่เห็นตุรงขวัติเป็นของสาคัญผู้นั้นก็คือผู้ไม่สำคัญนั่นเองจิตใจเลื่อนลอยหายเหตุท้าผลหลักเก่ยนไม่ได้เพราะตุรงขวัตินี้เป็นเป็นหลักของจิตใจได้ยึดได้ปฏิบัติตาม เพื่อแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีอะไรแฝงเลยทุตังคะแปลว่าทำละขัดเกลาทิเลสที่ท่านทำให้เห็นชัดเปลนท่ท่านปฏิบัติมาโดยลำดับไม่เคยเละเว้นเลยก็คือบางจะกลญกิน่อนเห็นท่านใช้ เวลาสุดท้ายนี้จวนท่านจะป่วยนี้ก็ผ้าอังศักผ้าป่านสองปืนที่ท่านจะคุณเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าคุณน่ลืมเลยอามาถวายท่านเพราะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่แล้วแต่ค่อนก่อน อถวายก็เล่าถวายท่านก่อนที่จะถวายว่าเจะของได้กรอเองอะไรเองช่างหูเขาทอใ ห, ให้นำมาถวายนะเล่าถวายท่านแล้วก็ถวายท่านทีนี้ถ้าเห็นต่านช้ยคิวท่าอังสะสองขุนนี้ตอนนั้นเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านเวลาแปดปีไม่เคยเห็ น, านชาย้าก็ห้าปฏิจิวันเลยนีย่ว่าท่านเด็ดเดี๋ยวมาก มีความมุ่งหมายลึกซึ้งมากเพื่อวความตัดความสำคัญตนว่ามีคุณค่ามีราคาและชอบสวยชอบงามผ้าบางสกุลในาครั้งผุ้จการนั้นเป็นผ้าที่รูเข้าอยู่ตามที่ฝุ่นขี่ผงนั้นท่านเรียกว่าปังสุแต่ว่าขี่ฝุ่นขี่ผงนั่นเองปังสุกุละกับหมายถึงพื้นแผ่นดิน อีกคุค่าวอยู่ด้วของสกรปรกในพื้นแผ่นดินตามทั่วๆตางที่ทั่วไปอย่างเช่นบังสกุระทีวานที่คุกค่าวอยู่ด้วยฝุนด้วยของสกรปรกนั่นเองแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นตั้งต่อมาก็เอาไปถวายบังสกุลนําที่เห็นเนี่มีเพื่อตัดความมีคุณค่ามีราคาในความสําคัญต้องตัออกมีควาคัญมาก การบินธ บ, บัติอาขันตามหลักพระพุทธเจ้าที่ว่าบินธ บ, บัตเป็นวัดจริงๆก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วไม่ได้คิดโลเลโลกเลขในอาหารไปก็ไปตามจิตตามการตามทา่าตามขันและไปด้วยจิตจวัดอันหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องชำระกิเลสคือจิตตภาวนาเดินไปบินธ บ, บัตก็เท่ากับเดินจงกรม ไม่ลืมเนื้อลืมตัวอาหารการขบนจะเป็นประเภทใดก็ตามไม่ติดไม่ค่้องไม่เป็นอารมณ์คือพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้คิดมุ่งหมายไปเรื่องความอรุอร่อยหลักใหญ่ก็อยู่ยังยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อประกอบความภาคเลียนแก้ดิอดถอนกิเลสไปแต่เดียวเท่านั้น อาหารที่มีรสมากมันก็ติดมันก็เป็นกิเลสไปได้อาหารไม่มีรสกิเลสก็ไม่ค่อยแดงตัวเห็นชัดเจนฉันจังหันก็ไม่ได้มากมายนะักพอยังชีวิตให้เป็นไปรักใหญ่อยู่ที่ความเพียรทั้งหมดเพื่อแก้กิเลสเพราะ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่ากิเลสนี้เป็นภัยอย่างยิ่งในโลกกถ่าตา น, นี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งกว่ากิเลสฟังไป<ๆ>เพราะฉะนั้นอะไรๆจึงจึงมุ่งเข้าไปจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเดยไม่ได้มุ่งอย่างอื่นเลยพวกเรายังไม่ได้เห็นมากิเลสเป็นภัยเมื่อไหร่แล้วก็ต้องให้กิเลสเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหะ พระพุทธเจ้าสอนสอนด้วยความเห็นไัยเพราะรู้แล้วว่ากิเลสเป็นไัยถึงกับตะเกียบตะกายสลกสล่ายจนได้แล้วจึงประกาศโคษณาสาสอนโลกให้รู้ว่ากิเลสเป็นไพะถ้าจะพูดถึงเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันโคดแสะของมันลูกหลานเด่นของมันเป็นไัยทั้งนั้นพูดง่ามันลูกภัยเหมือนกับลูกเสือ ปู่ย่าตายายเสือพ่อแม่เสือลูกเสือหลานเสือเป็นภัยทั้งนั้นกัดได้ทั้งนั้นไ อ, อันนี้ยี่เลสก็เหมือนกันมันกัดได้ทั้งนั้นแหละกัดหัวใจเราให้สึกให้ก่อนให้เสียผู้เสียคนเสียพระเสียเนรเสียอามากมายถ้าพิจารณาตามหลักธรรมของทีเจ้าสอนแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทําใดบทบาททาบทบาทใดก็ตาม ไต้ต้นจิตเข้ามาสู่จุดที่จะข้ากิเลสทรลายกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแฝงเลยนะ เ, ะเพราะพระองค์เห็นภัยอย่างยิ่งไม่เห็นภยัยใดยิ่งกว่าภัยคือกิเลสบนหัวใจสัตการสอนจึงสอนลงในจุดที่เป็นภัยนั้นให้รู้แต่จิตผู้ที่ถูกภัยเหยียบย่ำทำลายอยู่มันไม่ยอมรับรู้เที รู้แต่อย่างอื่นที่จะเป็นภัยแต่ตัวเพิ่มขึ้นอีกน่ะนี่มันจึงแก้ยากลำบากการเราปีนี้พิจารณาตามอัธรรมของบรุษเจ้าในพิจารณาเท่าไรยิ่งละเอียดละออมมากทีเดียวหาที่ค้านไม่ได้ประกอบกับเราปฏิบัติไปรู้ไปเห็นไปยอมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยตั้งแต่ขั้นต่ำถึงขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านไม่ได้ละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่ง ซึ่งในพระโอาวาทของพระเจ้าที่แสดงไว้แล้วแสดงไว้แล้วเจอตรงไหนเห็นตรงไหนในบรรดาธรรมที่เกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติหรือการปฏิบัติของเราด้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วสอนไว้แล้วคือเห็นแล้วจึงสอนนั่นเองไม่เห็นไม่รู้สอนได้ยงไหมเนี่ยสอนไว้แล้วทั้งนั้นละเอียดมากที่สุดการอยู่ในป่าก็ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้ว คุณค่าของการอยู่ในป่าพระองค์ก็ได้ประสบพบเห็นแล้วเห็นที่พอปะไทยจะแนะนำมาสอนผู้บวชใหม่เป็นลุกขโมยเสนาสนังพระบวชใหม่ทุกทุกองต้องได้รับพระอาวาทข้อนี้ไม่มีการยกเว้นเลย ดูขโมเลเซน่าสนมิซายะปะปชะตาเตุเจ้าวจีวังอุสาหงกาุกนนีโยด่นั้นไปตั้งอว่าเป็นปริยายไปเป็นอันดับที่สองที่สามไปเรื่อยๆเป็นอะไรอีห้าโดปาซาโดห้ามยังขูห้ายอย่างนี้มันเป็นอันดับต่อไปต่อจากนี้อันนี้เป็นอันดับเลยเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการประพฤติปฏิบัติ เพราะนั้นท่านจึงสอนว่าให้อยู่จงพยายามอยู่ในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดน่ะตั้งใจคืออยู่รูปกมูลลำไม้แต่ก็ไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดไปันไม่มีที่บุงที่บังอะไรเลยคืออยู่เป็นการเป็นเวลาแม้จะตัอยู่ในป่าในนั้นมีที่มุงที่บังก็ัหาอยู่ในป่าที่ ที่ค่ายคืนกันอย่างนั้นนะเพราะลูกฮอม์โนนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เปรียวเกี่ยวอันเป็นที่น่ากลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายนี่กรรมฐานตั้งแต่ย้อนย้อนหลังมันไปหาข้างพุทธกาลนั้นมีจริงๆมีสัตว์ร้ายดังที่เราว่าแม้แต่ในระยะปัจจุบันนี้อย่างระยะของปู่มั่นหรือระยะเรานี่ก็ยัง ยังมีสมบูรณ์ให้เห็นได้ชัดเจนเรื่องอันตรายมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นเองไม่กี่ปีมานี้ทั้งที่เขาทำลายป่าจนหมดนี่อันตรายทั้งหลายที่เกี่ยวกับลูกขมูลเนี่ยด้อยลงไปด้อยลงไปแทบกับาว่าจะไม่มีมีเป็นบางแห่งคือเราอยู่ในป่าธรรมดามนในล้มไม้ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่ง ขยับเข้าไปที่เปลี่ยวที่เปี่ยวแล้วเข้าไปหาดงเสือด้วยแล้วโอ้โหตั้งสติอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนความขี้เกียจขี้คล้านไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดนะไม่ต้องกําจัดมันนหะมันไปเองเพราะความกลัวตายก็หาที่พึ่งสิในหาที่พึ่งอะไรเครื่องป้องกันตัวมีอะไรปืนผาหน้าไม้ก็ไม่มีก็มีแต่ธรรมนันหยุดก็ย้อนเข้าสู่ธรรมธรรมอยู่ที่ไหนที่นี่ ธรรมก็อยู่ที่ใจแนย่ย้อนเขาจี่ใจใจกับธรรมก็สัมผัสกันเมื่อใจสัมักับธรรมสัมผัสกันแล้วก็เริ่มได้เครื่องป้องกันตัวใจสงบลงไปสงบลงไปอย่างเสือเรืงช้างอันตรายทั้งหลายมันไม่ให้มันคิดให้คิดอยู่กับคําถ้าพูดอยู่ในวงบริกรรมก็ให้ให้คิดอยู่กับคําบริกรรมฉะนั้นเหมือนหนึ่งว่าโลกนี่มีแต่คําบริกรรมคําเดียวเสือมันจะ มาเป็นชั้นแสนตัวก็ตามไม่ได้คิดออกกไปหามันคือความคิดว่าภาพตัวเองนั่นแหละมันสําคัญมากยิ่งกว่าเสือจะมาจริงๆร้อยทั้งร้อยมีแต่ความคิดหลอกตัวเองเพราะไปอยู่ในสถานที่น่าจะคิดนี่ตอนนี้ได้เห็นเหตุเห็นผลกันชัดเจนในสถานที่อยู่อย่างนั้นและคำภาวนาของตนที่หวังพึ่งเป็นพึ่งตากับธรรมแน่นหนามั่นคงเข้า ขณะก่อนอกลัวซ<ม>ะจนตัวสั่นจนไม่เป็นผู้เป็นคนขณะต่อมาเนี่ยกลายเป็นความกล้าหาญชันใจขึ้นมาราวกับว่าไม่ใช่จิต ด, ดวงนั้นออ<ม>ืทั้งๆที่จิต ด, ดวงนั้นแหละแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนกันเปลี่ยนแปลงไปจากความกลัวนั้นกลายมาเป็นความกล้าหาญ สิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ปรากฏกับใจของเราแล้วมันพูดได้อย่างอาจหารพูดได้อย่างแม่นยําพูดอย่างไม่ระวังจะผิดอืมไม่ใะทุกสถานเพราะได้เห็นได้รู้ได้ไประจักษ์ภายในจิตใจแล้วนั่นสําคัญมากไม่ว่าสิ่งใดแม้ธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จรู้ภายในใจแล้วก็เหมือนกันอย่างนั้นสามารถพูดได้แต่มีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ที่จดจารึกไว้หรือไม่จดจารึกไว้กว็าตาม เป็นความจริงทั้งนั้นในแดนโลกฐานนี้ที่จะพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมตามความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นะใครไปจดจารลึกเสืออยู่ในป่าใครจะไปจดจารลึกมันทุกตัวกิริยาแห่งการประกอบความผาคเพียนอยู่ในสถานที่เชนั้นใครจะไปจดจารลึกกันทุกแง่ทุกมุมแต่ผู้บําเพ็ญบาเพ็ญอยู่เห็นอยู่รู้อยู่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นเจอกันอยู่จะว่างไง จะไม่ให้พูดได้อย่างไรมีในตำราไม่มีในตำราเราเห็นเราก็พูดได้จําเป็นอะไจะต้องให้ตํารามาบอกอืมให้ตํารามาสอนพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกสามแดนโลกธาตุจะมีเพียงแปดหมื่นสี่พันประทมมะขันเท่านั้นเหรอไม่พอกับกิเลสประเภทต่างๆของสัตว์โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระองค์ ที่จะทรงสั่งสอนในแง่ต่างๆกันตามเจะดิทธิ์สัยของผู้นั้นๆต้องมีมากมายขลายกองทีเดียวนะเราเชื่อเพียงแต่เราตัวเท่าหนูนี่ก็มันก็ยังได้ประจับชัดเจนอืมถ้าพูดถึงว่าอาถรรพอาถารพ น, นี่สิ่งใดที่รู้แล้วมีในตำราไม่มีในตำลาอาถารที่จะพูดได้เพราะความรู้อันนั้นความเห็นอันนั้นความเห็นสิ่งนั้นมันชัดเจนอยู่ในหัวใจนี่อืม ในเรื่องตำรับตำราผู้ประจดจะลึกแต่มากน้อยอย่างไรก็ตามกําลังที่จุดได้มามาเขียนไว้อ่านกาันได้เพียงเท่านั้นส่วนที่นอกไปจากนั้นเนื้อความสามารถหรือสุดความสามารถที่จะจุดจะจำจะรู้จะเห็นแล้วก็ไม่มีทางที่จะจุดจะจํำเขียนมาได้นั่นแล้วก็สิ่งที่เราไม่สามารถจะเขียนมานั้นจะลบล้างด้วยความไม่สามารถนี้ได้เหลิดนั่นก็ต้องมีอยู่เป็นอยู่ตามแบบธรรมชาติทังตัวเองนั่นแหละ ทำที่ว่าไม่มาในการผิดเหมือนกับท้องฟ้ามาหาสมุทรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสูดไม่ผิดเรายอมรับกรา บ, รบอย่างราบเลย <c oughs> เวลาไปอยู่ในที่นั้นอะไรแสดงขึ้นมามันก็เห็นกับใจกับใจอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับเราอ่านตำหลับตําลาแต่อ่านความจริงนี้ไม่สุดไม่สิ้น ใจละเอยียดเข้าไปเท่าไรยิ่งเจอความจริงละเอยียดเข้าไปอ่านกันเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นสิสาคัญเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธินี่เริ่มอ่านแล้วนี่ถ้าจะว่าจะอ่านอือ่านความจริงนะไม่ใช่อ่านตาําราให้ได้อ่านความจริงที่พวกเราเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อ่านความจริงอ่านแต่ตำหนักตำราจําได้มาแล้วก็ได้แส่ชื่อนะั้นแล้วไม่สนใจจะละจะถอน สิ่งที่เป็นภัยไม่สนใจจะบำเพ็ญสิ่งที่เป็นคุณให้ปรากฏขึ้นตามตำราที่ชี้บอกไว้นี่นั่นก็ได้แต่ชื่อทีนี่ผู้ปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบตัติปฏิบัติเพื่อเอาจริงเอ้าจังเพื่อเห็นเหตุเห็นผลเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุทั้งกิเลสทั้งอัดทั้งทมทั้งหลาย <c oughs> นั้นก็ต้องเจอเริ่มตั้งแต่สมาธิอิจเริ่มเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่อ่านแล้วรู้แล้ว ไม่มีใครบอกก็รู้ภายจในจิตใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้อะไรสัมผัสก็รู้เมื่อทาประเภทใดสัมผัสใจทาไมใจจะไม่รู้มสมาธิค่อยเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่ความละเอียดเพราะการบำรุงส่งเสริมอยู่เสมอก็รู้รู้นั่นจนกระทั่งถึงคำแน่วแน่ความละเอียด ท, ที่ท่านให้ชื่อว่าอัปปน า, าสมาธิก็รู้ภายในจิตใจ นี่เราอ่านอ่านในตัวเองอ่านในตัวเองรู้เห็นในตัวเองอ่านในตัวเองเอย่างนี้นี่คือความจริงอันเนี่ยเจ้าของเห็นเองรู้เองอ่านเองชัดเจนจิตก้าวขึ้นสู่ปัญญาก็เหมือนกันจิตเริ่มไหมตัวเป็นปัญญาเป็นอย่างไรคําว่าจิตเริ่มไหมตัวเป็นปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างไรพูดได้อย่างชัดเจนเพราะเห็นได้อย่างชัดเห็นชัดภายในจิตใจ ระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันสังหารกันอืใครแพ้ใครชนะในระยะใดเริ่มเรื่องใดเช่นเรื่องเริ่มต้นกิเลสกับธรรมะฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมฝ่า ย, า ย, า ย, ายเหล่านี้มักแพ้เสมอก็รู้อืจนกระทั่งทั้งนี้มีกําลังแต่ก้าสามารถเพราะกันหนุนอยู่ทุนเสมอโดยความเพียรในกิเลสเริ่มถอยตัวเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มแพ้ก็รู้นั่นเนี่ยเห็นอยู่ในใจของเรานี เมนะท่านจะจดจะลึกไว้ในตำราทุกแง่ทุกมุมได้ยังไงแต่ผู้ปฏิบัติมันเห็นอยู่นี่ชัดๆนี่ต่อนเนื่องกันไปโดยลําดับลๆๆๆําดับเขียนไม่เขียนก็าตามจะจะจจะลึกไม่จดจะลึกก็าตามความจริงกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันเห็นกันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทําไมจะพูดไม่ได้นี่สิสําคัญยังที่พูดเรื่องภ า, าวนามายปัญญาดังที่กล่าวมาเคยกล่าวแล้วมันเป็นอย่างไงภาวนามายปัญญา มีพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้แล้วอย่างชัดเจนจากภาวนามยปัญญาของท่านที่ผ่านไปแล้วนั่นแหละท่านไม่ผ่านท่านอะไรมาพูดท่านอะไรมาสอนโลกนั่นท่านทรงผ่านแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนาพระเพลนี้ก็เด่นชัดขึ้นมาอ๋อภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นไม่เกิดขึ้นจากแงใดมุมใดของการศึกษาการสำเนีาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย แต่คากับว่าถ้าจะพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นสยมผูนั้นรวมหมดทรงรู้เองเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนอันนี้เวลาจะเข้าไปรู้ไปเป็นในภาวนามายปัญญาก็ราวกับว่าเป็นสยมผูประเภทหนึ่งย่อยๆของผู้นั้นที่ได้รับการอบลมได้รับการแนะเนยทางจากพระพุทธเจ้ามาแล้วแต่ผู้ที่จะรู้ผู้ที่จะเป็นภาณจิตใจก็คือผู้ภาวนาผู้ภาวนานั้น แ, แลเป็นผู้จะ เป็นผู้จับเป็นและเป็นผู้เป็นเมื่อเป็นภาวนามย์ปัญญาขึ้นมาเริ่มแรกขนาดเป็นมากน้อยเพียงไรก็เริ่มรู้เริ่มรู้นั่นน่ะไม่มีใครบอกก็เข้าใจที่นี่จนกระทั่งภาวนามย์ปัญญานี้หมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยหรือหมุนเป็นธรรมจักรไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถเว้นตลับเท่านั้นทํางานอยู่ด้วยโดยลําพังตนเองเรียกว่าอัตโนมัติตลอดเวลา ในการสังหารจริเด็สไปไปพร้อมๆกันนั่นแหละก็คือในการในการประกอบความเพียรด้วยภาวนาประเภทนี้ก็เป็นการสังหารจริเลสไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนี่เนต้อตราท่านจดใจลึกไว้ไหมท่านบอกไว้แต่เพียงภ า, ภาวนามยปัญญาเท่านั้นเวลามันไปเจอกันเข้าแล้วไปผู้บดปฏิบัติไปเป็นภาวนามนยปัญญาเขาแล้วเป็นอย่างไรบ้างสืบเนื่องกันไปตั้งแต่เริ่มต้นของภาวนา ภาวนามญปัญญาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาซึ่งออกไปจากภาวนาภาวนาปัญญานี้ยืดยาวขนาดไหนละเอียดแหลมคมขนาดไหนแล้วท่านไม่ได้จดจารึกรว่าแต่ผู้ปฏิบัตินั้นยังไงก็หนีไม่พ้นเจอเจอเจ อ, เจอตลอดเวลาสําหรับผู้ปฏิบัตินะนี่นั่นแหะท่านเรียกว่าความจริงมันเห็นอยู่รู้อยู่ตลอดตลอดเลยเนี่ยเหมือนกับว่าอ่านความจริงอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้อา่านตำแทนตํ า, า, าราผู้นี้ไง อ่านความจริงจากการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลในเวลาต่อสู้กันเรียกว่าเหตุผลก็คือว่าค่ากิเลสประเภทใดให้มันไหลลงไปแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อกิเลสประเภทนั้นดับลงไปดับลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทสุดท้ายท่านว่าอวิชชาปัิญาที่เป็นที่เป็นกิเลสละเอียดที่สุดได้ถูกสังหารลงไปแล้วโดยสิ้นเชิงเป็นอย่างไงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติสอนอามัยปัญญานี้รู้หมดจะว่าไง อ่านตลอดไปทั่วถึงนี่ไม่ได้ศึกษาจากใครละอันนี้เป็นเรื่องของผู้นั้นต่อสู้เองทําเองรู้เองเป็นแต่พระพุทธเจ้าแน่ทรงแนะแนวทางให้เวลาจะเข้าต่อสู้เวลาจะรู้จะเห็นกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะซึทีเรียกว่าสันติเทโกหรือเหมือนกับว่าสยามภูย่อยๆโอ้ย่อยๆก็ได้คือรู้เองเห็นเองเป็นเองเพราะทําเอ ง, อเองรบเองชนะเอง เห็นกันชัดๆอยู่ในตัวเนี่ยในระนั้นเราจะไปคว้าเอาคตาคำผีบลานที่ไหนมาเทียวมาเทีย ง, มยงไม่ทันกันเลยเพราะอันนี้มันรวดเร็วมากเกินกว่าที่จะไปหาคว่าคำผีนั้นคำผีนี้มาซึ่งจะทําให้ไม่ทันการนั่นฟังสินี่แหละความจริงแท้เข้าเข้าเจอกันหรือเข้าบวกกันหรือเข้าต่อสู้กันมีความรวดเร็วขนาดนั้นใคยจะไปหาคิดในตำหรับตําราอยู่ตลอดเวลา มเมื่อความจริงเข้าถึงกันกิเลส ก, ก็เป็นความกินปเพศหนึ่งปัญญาก็เป็นความกิงเพศหนึ่งวิธีการต่อสู้แต่และอย่างใ น, นอย่างนี้ไม่ต้องศึกษาจากใครมันมักมีอุบายวิธีการที่จะทันกันตลอดเวลาต่อสู้กันอยู่นั้นเพราะใครจะหวังแพ้ล่ะไอ้กิเลสมันก็ไม่ได้หวังจะแพ้เราไอ้เราก็ไม่หวังจะแพ้กิเลสเราจะเ้าชนะจนได้นั่นแหะมันต่อจะเรียกว่าต่อสู้กันขณะที่ต่อสู้นั้นต่อสู้วิธีใดจะไปบอกใครได้ยังไง ต้องเป็นเรื่องอุบายคนวิธีของเจ้าของเอง็นทั้งนั้นเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอย่างนั้นหมุนรอบตัวเลยถ้าเป็นไม้ก็เป็นต้นเสาทากสี่เหลี่ยมติ้งยากทาแปดเหลี่ยมติ้งง่ายเข้าไปฟาดชิ้หกเหลี่ยมแล้วใสกลมแล้วติ้งเลยนั่นอันนี้ปัญญานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและวชิ้หกเหลี่ยมจากนั้นมาก็กลมติ้งผึดเลยปัญญาคล้องตัว มันจะมีในตํำราทุกบ ท, ทุบบาทใหม่แต่นี่เราผู้ปฏิบัตินั้นจะลรบลร้างในไหนว่าไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นความจริงทั้งหลายดอกนี้ต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วมีแล้วเห็นหรือเจออะไรก็เจอสิ่งที่มีอยู่แล้วทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของปลอมๆเป็นของมีอยู่มันต้องรู้ต้องเห็นนี่แหละเรียกว่าอ่านความจริงอ่านในภาคปฏิบัติท่านเป็น ท่านพูดไว้เข้มเย่อๆแต่นั้นไม่มากมายเพราะจะเหลือเฟือฟั่นเฟือเกินความสามารถของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติตามได้เพราะกําลังอย่างน้อยแต่เมื่อรู้เข้าแล้วหากเป็นนิสัยของผู้นั้นจะขายายตัวออกไปให้กว้างขวางลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นตามจริตนิสัยของผู้นั้นจะบุกเบิกไปเองไม่ใช่คนอื่นคนใดจะบุกเบิกให้ความจาเป็นแต่เพียงพื้นฐานหรือเป็นแต่เพียงแนวทาง แต่เวลาจะเอาจิงมาจังแล้วต้องเป็นเรื่องของเจ้าของผู้นัน้นเป็นผู้บุกเบิกออกเองรูล้ลึกตื้นยอย่าเพี้ยนแค่ไหนก็เป็นเรื่องของผู้นัน้นทําให้รู้ให้เห็นขึ้นมาภายในตัวของเราเ<ม>นี่ยขีกล่าวตะกีนนี้ว่าธรรมะบทใดบาตรใดพอดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนนั้คือสอนเพื่อให้ฆ่ากิเลสจ่อเข้ามาจุดเดียวคือกิเลสทั้งนั้นบําเพ็ญก็บําเพ็ญคำวมาบําเพ็ญก็คือเพื่อจะฆ่ากิเลสนั่นเอง กําลังบางชามีไม่ไม่มากก็เอาใ ห, ให้ให้มากให้มากมากก็มากเพื่อจะเนี่ยอย่าสร้างหารสิ่งที่มันยึดมันกดมันถ่วงเอาไว้ไม่ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอันเดียวนี้เท่านั้นคือกิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วไม่บอกก็ตามถ้าหลุดลอยออกไปเลยจิกเหมือนนักโทษที่ติดคุกมาแสนแสนทรมานพอพ้นโทษเท่านั้นใครจะอยากมาติดอีกล่ะ กระโดดพังทีเดียวแล้วไม่ต้องถามหาบ้านหาเรือ น, นเองด้วยไปถูกปั๊บเลยนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันกดมันถ่วงกันมากมายขนาดไหนจนถึงต้องได้เข็ดหลาบขนัดไม่มีอะไรเกินเข็ดหลาบกิเลสเน่ยเพราะนั้นการสอนถึงสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสแล้วให้แก้ให้ไขแล้วความดีทั้งหลาย เพื่อจะเป็นเครื่องมือต่อต้านหรือต่อสู้กับกิเลสก็ให้สอนให้บำเพ็ญเอาทานก็ให้บำเพ็ญศีลก็ให้รักษาภาวนาก็ให้ทำซึ่งด้วนแหน่ตั้งแต่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ากิเลสทั้งนั้นทีเดียวเพราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยไม่มีอะไรเกินในโลกทั้งสามนี้โลกที่กองกันอยู่ในทั้งสามนี่ยทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดของภูมิของภพนั้นนั้นด้วนแหน่ตั้งแต่กิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นทีกบีบบังคับหรือกดถ่วงเอาไว้ไม่ให้หลุดพ้นไปได้ แต่เป็นอะไรไปต้นไม้ภูเขาดินท่าอากาศมัมนมีอำนาจที่จะมาดึงดูดจิตใจให้ติดจมอยู่ได้เหมือนกิเลสอะไรล่ะอันนี้จึงเป็นของสําคัญมากเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการอย่างละเอียดละอออุตสาพยายามเต็มที่เต็มฐานคนเราก็เมื่อได้เห็นโทษของมันโดยลำดับดานแล้วความเพียรมันมีมาเองแต่นี้มันไม่เห็นนะสิเพราะไม่มีทำเครื่องที่จะให้เห็นถ้ามีเครื่องมือที่จะให้เห็นบ้างแล้ว มันก็เห็ น, นก็พบก็เจอเห็นโทษก็เห็นก็ไปเเรื่อยเราจะเห็นได้จากการปฏิบัติั้องเราตั้งแต่ขั้นอยากขั้นอยากไม่ค่อยเห็นต้องถูต้องไ ถ, งถบังคับบัญชากันให้ต่อสู้กับกิเลสพอได้เหตุได้ผลพอประมาณแล้วความเพียรก็มีความมีแก่ใจก็มีความห่วงใยการภาวนาก็มีความขี้เกียจขี้ค้านน้อยลงไปน้อยลงไปจนกทังก้าเข้าสู่อย่างที่กล่าวตะกี้นี้ก้าเข้าสู่ กิอ่าภาวนามยปัญญาแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธินี้มันก็ดูดอยู่แล้วแหละอืสมาธิตั้งแต่สมาธิขั้นต่าําๆจนถึงขั้นละเอียดนจนกิจที่ดูดดื่มในธรรมทั้งหลายอยู่แล้วและยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นที่ว่าภาวนามยปัญญาโดยแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นโทษโดยลําดับลําดาความเพียรหมุนตัวไปโดยลําดับลำดาความขี้เกียจที่ขั้นค่อย ถอนตัวดวงอ่อนสุดท้ายความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดไม่มีเหลือจริงๆเมื่อตั้งแต่ความที่จะเอาจะสู้จะเอาให้หลุดพ้นโดยท่าเดียวราวกับว่าทุกลมหายใจนั่นเห็นไหมถึงขั้นมันเป็นมันเป็นได้ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละที่ตัวขี้เกียจที่ค้านมากๆนั่นเนี่ยตัวโง่โ ง, งก็คือจดตรงนี้เวลามันฉลาดใครจะไปทันมันวะถึงขั้นฉลาดมันฉลาดจริงๆก็ลฉลาดในหัวใจของเรานี่แหละที่อาศัยทํา เป็นอุบายเครื่องแก้ไขเครื่องบุกเบิกเครื่องช่วยหนุนให้ฉลาดไปฉลาดเอง่งฉลาดขึ้นมาฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นแล้วก็มีมากความเห็นโทษของกิเลสที่ยังละไม่ได้ก็เห็นมากเห็นโทษเห็นมากเมื่อความเห็นคุณแห่งธรรมก็เห็นมากความเห็นโทษแห่งกิเลสก็เห็นมากแล้วก็รวมขึ้นมาสู่กําลังของใจที่จะทําให้หลุดพ้นทําตัวให้หลุดพ้น ความเพียรก็แก่กล้าปัญญาสติปัญญาก็รวดเร็วความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกมันหักหมุนของมันไปเองพร้อมๆกันนั่นแหละมีมความขี้เกียจไปไหนไม่มีเลยมีแต่ตจะเอาท่าเดียวถึงต้องได้ล้างเอาไว้ที่ท่านสอนว่าอุทจฉาในสังโยชน์เบื้องบนความฟุง้งความเพินของปัญญาของสติปัญญาต่อความาพากเพียรต่อการต่อสู้กิเลสทั้งหลาย จนเพลินเพลินจนลืมตัวไม่ได้เข้าพักผ่อนสมาธิเลยท่านจึงสอนให้พักในสมาธิเพราะจิตเพลินในความเพียรไม่มีคําว่าขี้เกียจพิการาละคําว่าขยันก็เลยเสียมันพูดไม่ได้คําว่าขยันย่เหมือนกับว่าทําขั้นต่ําลงไปเมื่อถึงขั้นหมุนตัวไปเองแล้วมีแต่ขั้นว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายจะให้หลุดพ้นถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ น, นี่ขั้นนี้แล้วความขี้เกียจจะมาจากไหน มันจะมาได้เกิดได้ในขนาดใดเล่าก็เมื่อมันมีตั้งแต่จะให้ให้ให้ชนะถ้าพูดถึงว่าชนะก็จะให้ชนะท่าเดียวถ้าจะให้หลุดพ้นก็จะให้หลุดพ้นท่าเดียวนี้เท่านั้นเป็นก็เป็นเป็นก็ให้หลุดพ้นตายก็ให้หลุดพ้นแล้วความขี้เกียจมาจะมาช่องใดล่ะฟังสินี่แหละเมื่อถึงถึงขั้นอันนี้มันเป็นเองด้วยกันทุกคนไม่ต้องบอกหับรู้เองในเะจ้าของนี่เพราะอะไรเพราะคุณค่าของธรรมมีมาก แล้วกับย้อนไปเห็นโทษของกิเลสมันแหละทรรเกิดก็คือแสงสว่างเกิดความเฉดเดียวฉลาดเกิดภัยมากน้อยมันก็เห็นนะสิปัญญานอกจากนั้นยังปัญญายาณที่ละเอียดยิ่งกว่าปัญญาเขึ้นไปมันยิ่งเห็นชาติลงไปละเอียดแหลมคมขนาดไหนกิเลสแต่ก่อนก็ว่ามันแหลมคมไม่มองเห็นหน่อที่นี้เมื่อสติปัญญาอันเหล่านี้ได้อบรมตัวจนกระทั่งคล่องตัวถึงขั้นสตัตมหาติมาปัญญาแล้วนอนใจได้อย่างไง สติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่ขั้นนอนใจถึงจะติดก็ไม่ได้ น, นอนใจหากมีเนี่ยมีอะไรที่จะรู้จะเห็นที่จะดูเหตุการณ์ต่างๆอยู่นั้นอ่ะจนกระทั่งผ่านไปได้จนกระทั่งรู้ในสิ่งที่ติดที่ข้องนั้นผ่านไปได้โดยไม่มีเหลือเลยเนี่ยเนี่ยถึงขั้นฉลาดคาว่าฉลาดนะ น, นี่หมายถึงฉลาดโดยทำฉลาดทางภาคปฏิบัติ เป็นความฉลาดที่ผิดกับความฉลาดทั้งหลายที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาทางโลกอยู่มากมายถ้าผู้ปฏิผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เกิดความฉลาดประเภทนี้หากไม่รู้ว่าความฉลาดประเภทนี้คืออะไรขอให้เจอเข้าไปเถอะจะทราบเองฐานที่จะเกิดความฉลาดก็คือภาวนามยปัญญาดังทีว่ว่านี่เป็นฐา น, อ, นอันดับของปัญญาฐานต้นก็คือสมาธิเป็นเครื่องหนุนให้จิตอิ่มตัวมีความสงบเยือกเย็ยน อิ่มตัวคือสงบเย็นอยู่ภายในตัวอิม่มออบยู่ภายในจิตเพราะจิตเป็นสมาธิจิตสงบย่อมไม่ฟุ้งซ่านนำคานกับผู้กับเสียงปิ่นนวดเครื่องสัมผัสอันเป็นสายทางที่จะให้เกิดกิเลสทั้งหลายเข้ามาพอกภูมิหัวใจเมื่อจิตมีความอิ่มตัวแล้วพระเดินทางด้านปัญญาจิตย่อมทํางานทางด้านปัญญาพิคลายดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ธาตุขันอวัยวะส่วนใดก็ตาม ใหเห็นเป็น อ, ช, อชุภระอาุูพังอนิจจังทุกขังหน้าตาเมื่อละเอียดเข้าไปก็เห็นเรื่องเวทนาความสุขความทุกข์ เ, เฉยๆที่เกิดขึ้นในขันอันนี้เห็นเข้าไปชัดเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาและแจ้งเข้าไปโดยลําดับลาดาแต่นั้นก็ก้าเข้าสู่ภาวนามายปัญญาเอาละทิ้นนั่นเป็นฐานที่จะให้เกิดความฉลาดไม่ต้องบอกถ้าลึมขั้นอยู่แล้วปัญญาจะหมุนตัวไปรอบด้านทีเดียว ทั้งทงที่เราไม่เคยเป็นไม่เคยเห็นไม่เคยมีแล้วไม่คาดไม่ฝันด้วยว่าจะได้รู้ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่แปลกประหลาดในหัวใจของเหล่านี้นะแต่ก็ได้เห็นเชืแล้วปรากฏแล้วเวลานี้นะนี่หละทำความฉลาดของกิตที่สังหารเจเด็ดไม่ใช่ความฉลาดแบบโลกโลกที่ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั่นเป็นความรู้ความฉลาดที่จีจเด็บมันผิดขึ้นมาอ่าเรา เราเรียนวิชาจากกิเลสมันจึงไม่ไปไม่สามารถจะไปฆ่ากิเลสได้ต้องเป็นปัญญาของธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติตั้งที่กล่าวปัญญานี้แหละความฉลาดอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะสังหารกิเลสทุกประเภทให้ชิดหายวายตววไม่มีอะไรเหลือพนันกิจใจเลยดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านด้วนแล้วแต่ปัญญาประเภทนี้ทั้งนั้นปัญญาทางโลกเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะเป็นปัญญาของกิเลส น, นอกจากจะเป็นการเสริมกิเลสนั้น ความฉลาดเราเห็นไหมว่าความฉลาดทางโลกเป็นยังไงเราไม่ได้ยกโทษของโลกนะคือพูดตามความมีความเป็นคนฉลาดเช่นเจ้าคนหมายนั่นแหละตัวพลิกตัวแพงเปลี่ยนแปลงความกินหงายกินคือตัวนี้แหละนั่นแหละมันฉลาดไปอย่างนั้นเสียใครมีความรู้ฉลาดไปเท่าไหร่ก็ยิ่งทะนงตัวว่าตัวยู้ตัวฉลาดแล้วสุดท้ายก็ทําแต่ความชั่วให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนถ้าผู้ตามหลักทำแล้วความฉลาดอะไรอย่างนั้นคนฉลาดต้อง ให้ความสุขแก่โลกตั้งว่าพุทธเจ้าสินี่พระพุทธเจ้ามีความฉลาดมากน้อยถึงไรเราก็รู้เลยแล้วนี่แล้วทําประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางขนาดไหนเราเห็นไหมสามโลกธาตุนี้พระพุทธเจ้าเป็นครูสอนทั้งนานสอนได้หมดนี่นี่ความฉลาดอันนี้ทําโลกให้เย็นแต่ความฉลาดของกิเลสฉลาดไปไหนยิ่งทําโลกให้โลกให้ร้อนแต่โดยลําดับลําดับนี่มันโกงกันข้ามอย่างนี้เองเราไม่ได้ประมาททางโลกนะเราพูดตามความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้ พ่อหลวท่านจึงสอนให้เป็นปัญญาทางธรรมเข้าไปเพื่อแก้กิเลสถอดถอนกิเลสปัญญาทางโลกมันไม่นั่นคิดดูที่อย่างเราเรียนหนังสือเนี่ยทั้งๆที่เรียนทำแท้ๆนั่นะเรียนป ร, ริยัติธรรมสอบได้มาเริ่มมาตั้งแต่นักตรนตีโทเอกมหาปยนันจนถึงเก้าประโยคอเรียนจบพระตรยัยพิฎกแทนที่กิเลส จ, จะหลุดลอยไปเพราะการเรียนการจําได้นั้นกลับทะนงตัว ว่าตัวเรียนรู้เป็นเรียนหลักรู้หลักนัปกปราชนั่นฉลาดแหลมคม่าไปที่ไหนก็เหมือนในว่ายกแบกคำพีไปเป็นลู้พระไกลไปดูเคลื่อนที่ความสําคัญตนอันนี้เละคือตัวกิเลสแท้ๆนั่นฟังสิแก้ยังไงอย่างนั้นนอกจากเอากิเลสมาครอบคุณตนด้วยความสําคัญนี่แหละเรียนธรรมก็ตามถ้าเป็นเรื่องใจยังเป็นโลกอยู่มันกิเลสมันแทรกเขาได้อย่างนี้เองเรียนธรรมอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าเรียนเพื่อ จะถอดถอนแก้ไขเพื่อปฏิบัตินั่นเป็นธรรมโดยแท้ถึงจะมีความสําคัญอยู่บ้างความสําคัญนี้ก็มีวันจะดุดลอยออกไปได้สําคัญว่าตนรู้ตนฉลาดด้วยได้จําได้มากเพราะการเรียนมากอย่างนี้ก็ตามแต่มันจะมีวันหนึ่งที่มันจะปัดอันนี้ออกแล้วก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วลดละสิ่งเหล่านี้ออกหมดไม่มีเหลือเลยเหลือแต่หลักความจริงล้วนๆไม่สําคัญว่าตนรู้ตนฉลาดไม่สําคัญว่าตนดีตนเด่นกว่าผู้หนึ่งผู้ใดเลย ในโลกนี้ออืเสมอไปหมดแล้วความเสมอนั้น เ, เต็มไปด้วยเมตตาอีกอ่อนนิ่มไปหมดอีกนั่นไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยในความรู้ประเภทนั้นเลยเนี่ยความงสิมันต่างกันอย่างนี้การความรู้ทางเกี่ยวกับเรื่องทางโลกความจํามันเป็นเรื่องของโลกมันทําให้เกิดกิเลสได้โดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่ที่เรียนทำนั่นแหละแต่กิเลสก็ก็เข้าไปหากินในวงนั้นอีกเหมั่นกัน เหมือนอยัางเขาไปหากินในวงวัดนี่งานตรงไหนตรงไหนพวกหากินในวงวัดมันมีเราเราดูก็รู้นี่นะอย่างน้อยก็พวกขายของขายขนมขนมมันเต็มในวัดนี่ว่างเนี่ยนี่มันก็ไปหากินเราเทียบไปเฉยนะนี่เรื่องทองีหากินกับทรรมเป็นอย่างนี้แหละใครเรียนได้มากสลายโอ้ยคาภีจะแตกไปที่ไหนหนักก้าวไม่ออก หนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสความทะนงตนความสําคัญต น, ตนต่างหากนี่เป็นกิเลสไม่ได้หลักิเลสอันเนี้ยเรียนมากเท่าไหร่ก็กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยถ้าไม่ได้ถลอกปอกเปิดบ้างเลยการเรียนยิ่งเรียนด้วยความสําคัญไปอย่างนั้นไปแล้วยิ่งหนักกิเลส ย, ยิ่งมากกว่าคนธรรมดานี่ทาเรียนเพื่อจะปฏิบัติแล้วเอาถึงมันจะมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาของมุวลชน กนุบายไม่ทันยิเลสก็ตามมันมีวันหนึ่งที่กนูบายจะทันปัดยิเลสความสัมพันธ์อันนี้ออกได้จากการปฏิบัติของตนแล้วรู้มากเข้าไปเท่าไรยิ่งปล่อยวางมากป่อยวางมากสุดท่านละหมดความสําคัญอะไรๆไม่มีเหลือเลยอย่างที่ท่านพูดว่ามาณก้าคืออะไรนั่น <c oughs> มาณก้านั้นเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติ ข, ขั้นสูงคือขั้นสูงคือก็คือขั้นละเอียดที่ อยู่ในเกณฑที่ว่าเที่ยวกำลังแหลมปุ่นยังไงเห็นทุนแปดประหลาดข้าพาอาจารย์ภายในจิตใจของตนแล้วก็คิดอยากเทียบเคียงท่านจึงว่ามานะก้าวมานะคือความถือถือความรู้อันเด่นดวงนั้นแหละแล้วก็สำคัญว่าตนตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งยิ่งกว่าเขาหนึ่ง ตน เ, เสมอเขาสำคัญมาต่ำกว่าเขาแล้วเสมอเขาและยิ่งกว่าเขาหนึ่งตนสูงกว่าเขามีภูมิคี่มภูมทิทำสูงกว่าเขาสำคัญว่าตนต่ำกว่าเขาหนึ่งเสมอเขาหนึ่งและสำคัญว่าสูงกว่าเขาหนึ่ ง, ง, น, งนี่เป็นเก้าอย่างรังษาในใจเป็นมาหน้าเก้านี่ถือแต่ถือตนธรรมะขั้นสูงนนขั้นละเอยียดมีวันที่จะปลดปล่อยลงได้โดยไม่ต้องสงสัยละอันนี้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งแนะ่ที่จะมาหน้าเก้าที่จะทางลงไป เพราะถ้าหากว่าเราจะเทียบกิจแล้วก็กิจอยู่ในอารอ า, รารตรมักกำลังก้าวเดินในอา ร, ตราตมักพวกสังโยชน์เบื้องบนเทนัน ม, มานาอุสจาวิชานะมานา ถ, ถือถืออันนี้เองล่ะเมื่อถือใจแล้วก็ถืออาการเหล่านี้สำคัญตนไปจัางๆเนี่ยผู้ปฏิบัติหากได้ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้ว ก็เคยได้พูดแล้วว่าสดสดร้อนๆ้อนธรรมะมือเจ้ามักผลนิพพานสดสดร้อนๆกังวานอยู่ในหัวใจเราเช่นเดียวกับกิเลสมันกังวาลตลอดเวลาความโลภมันก็กังวาลอยู่ตลอดเวลาความโกรธความหลงกังวานอยู่ภายในจิตใจเราไม่เคยพไม่เคยล้าสมัยไม่เคยล้าเคยสายไปตามปีตามเดือนเพราะจิตใจไม่ตายอันนี้มันก็แอบแฝงอยู่กับของไม่ตายนั่นแหละแม้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาอยู่ก็ตามมันก็แฝงนั่นอันหนึ่งดับไปอันหนึ่งเกิดขึ้น เชื่องมันฝั่งยี่พาในจิตใจมันคืออวิชชานั้นจึงพาสัมให้เกิดให้ตายในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงไหลที่จะรอดพ้นจากอำนาจของกิเลสประเภทที่ว่าฝังจมนี้ไปได้ยกเว้นจิตพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นล้วนแน่แต่จีดใต้อำนาจของตรรมาชาตินี้เมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้า จะไม่แสดงทำด้วยความเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็โลกทั้งสามแดนโลกธรรมไม่มีรายใดเลยได้ผ่านพ้นออกไปโดยธรรมดาของตนคือไม่ในนะั้ได้รับการแนะนำสั่สงสอนน่ะอย่างนี้ถ้าเป็นออกไปโดยระดับธรรมชาติตของตนไม่มีเลยต้องได้อาศัยทำไปฉุดไป拉ดึงขึ้นมาถึงจะหนุดขึ้นมาพ้นขึ้นมาโถขึ้นมาได้นัี้ย นั่นแหะพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละโพรงจึงทําประโยชน์ได้มากมายสัตว์ผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะดุดพ้น อ, อยู่แล้วก็มีเพราะถึงจะจมอยู่ในวะะัฏะก็จมอยู่ด้วยอุปนิสัยนี่นะไม่ใช่ไม่มีอุปนิสัยเลยมีแต่ธรรมชาตินั้นมันยังเหนือกว่ามันต้องข้าบเอาไว้ก่อนอพอเมื่อได้มีผู้เปิดทางให้แล้วก็ดีดผึ่งผึ่งผึ่งออกเลยเปิดช่องเปิดทางให้แล้วดีดผึ่งผึงขึ้นมาที่ว่าได้มารู้ทำตามพระพุทธเจ้า เป็นจํานวนมากมายในการแสดงธรรมแต่ละครั้งละครั้งนะฟังด้พุทธบริษัทได้บรรลุธรรมเป็นเท่าไหร่มากมายหลายกองนีน่คือผู้ที่หลุดพ้นหลุดพ้นเป็นตามช่องที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดนี่นะพ้นไปพ้นไปพ้นไปเพราะอุปนิสัยมีอยู่แล้วนี่เป็นแต่เพียงว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อยิ่งต้องได้ตะเกียกตะกาย ตกในพบได้ชาติใดก่นสิทธะจะทะํะทำยังไงได้ยิบากกรรมมันนิเหนือตัวทํำด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไปทําความชั่วช้าหลังโมกด้วยความคลึกความขนองความอยากทำด้วยความไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีจะบ้างอะไรไปทําลงไปธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นความจริงไม่เอียงต่อผู้ใดเลยทำลงไปมันก็ต้องเป็นทําบาปต้องเป็นบาปทําบุญต้องเป็นเหมือนเราไปขี้ไฟ แต่ว่าไม่ร้อนก็ว่าสิลองขี่เข้าไปที่ความจริงเป็นไงมันก็บอกเองในหลักความจริงบาปก็เท่ากับไฟนั่นเองมันต้องเป็นเองอย่างนั้นมีพวกเราต้องมาพูดปฏิบัติธรรมแต่ยังมามัวแต่ความขี้เกียจขี้กานเห็นคุณค่าของโลกของสงสารของทุเดชปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของธรรมเลยมันก็ไม่มีวันที่จะผ่านไปได้หรือว่ามีวันเบาบา เบื้องต้นเลยพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องทุดุขวัดซึ่งเป็นข้อเป็นสำคัญสำคัญด้วยกันทั้งน้ำเป็นเนืสัจีท่านก็บอกไว้อดนอนเป็นคืนๆไปคืออดนอนนั่นก็เพื่อความเพียนประกอบความพากเปี่ยนไม่นอนอยู่ในียบทสามคือยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเลย อย่างใกล้จากกูบาลจนกระทั่งถึงจากสุแตกท่านไม่ยอมนอนแล้วมันมาสามเดือนหนึง่งท่านไม่นอนจากสุท่านแตกแต่ท่านก็นบรรลุธรรมเป็นราตุบุคคลขึ้นมาได้เลย น, นี่ก็ทูดงข้อหนึ่งเหมือนกันเนสัตว์ชีวิอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าตอนนี้เมื่อแต่ทูดงเท่านั้น ร้อนถ้าอยู่ในป่าเพราะคุณค่าของความอยู่ในป่านั้นสาคัญมากกว่าอยตามสถานที่ธรรมดาเช่อยู่ในบ้านเป็นอย่างอย่างวัดบ้านเป็นอย่างวัดป่าธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในป่าเปลี่ยวเป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อความรู้สึกเราเปลี่ยนขึ้นทางด้านธรรมะทางด้านดีกําลังใจของเราก็ได้เนี่ครับเริ่มเข้าพรรษาตั้งแต่วันนี้แล้ว ที่มาบวชไม่มีหน้าที่การงานอะไรอยาห่วงใยยุ่งเหยิงยุ่นวายกับอดีตทางบ้านทางเรือนอีกหน้าที่การงานถึงคิดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คิดให้เป็นกังวลใจเปล่าๆข้างหน้าข้างหลังคืออดีตอนาคตไม่ต้องยุ่งเวลานี้บวชมาเพื่อประกอบความภาคเพลี่ยนทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เห็นเหตุเห็นผลทาง จ, จิตใจตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้ อย่างน้อยจิตใจสงบก็ยังดีเทพก็มีในวัดนี้เอาไปเปิดฟังนั่งภาวนาฟังเทปก็ดีหรืออยากจะอ่านหนังสือก็อ่านแต่อ่านหนังสือสู้ฟังเทปไม่ได้ในขณะที่นั่งภาวนาจิตสงบเยนน็นไปสติเป็นของสำคัญนะใครเคยภาวนาบทใดบาทใดกใ็ให้อยู่กับทำบทนั้นบาทนั้นไม่ว่าจะก้าวหน้าถอยกลับไม่ว่ายืนมาเดิน อรียบบททั้งสี่ให้ได้ทุกระยะไปยิ่งหนึ่ความคิดเป็นธรรมปุงก็ปรุงเป็นธรรมเช่นพุทโธเป็นความเป็นสังขารเป็นความคิดแต่เป็นความคิดที่เป็นธรรมเรียกว่าความคิดฝ่ายมากมันคิดเรื่องราวอะไรที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเป็นความคิดของสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นมาเกิดทุกข์ขึ้นมาให้ละงับความคิดเช่นนั้น คิดแต่สิ่ที่ดีงามคือทมเท่านั้นใจสงบอุพนนาสอนาปานาาสัสติก็ให้กำหนดตามที่เขียนไว้ในหนังสือก็มีในเทปบางมวนก็มีนีนได้อธิบายไว้พอประมาณพอประมาณถึงไม่ละเอียดมากก็พอจะจับเมื่อนได้แล้วแต่พอจับเมื่อนเข้าไปแล้วความละเอียดไม่ต้องบอกเจ้าของจะเข้าใจเองเพราะ ความละเอีย น, นี้จะบุกเบิกเข้าไปถึงขั้นที่ละเอียดถุกได้ไม่สงสัยนะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองพีนี้พระเน้นก็ตั้งสี่สิบกว่านั่นให้ขยับขยายเท่าไรก็ไม่ขยับขยายอยู่กันอย่างนี้เต็มไปนี่จะว่าไงละ่ะมันลำบากหนักเหมือนกันผมผู้ปกครองและยิ่งมีการทะเลาะเบาแววงมีด้วยแล้วเป็นปืนเป็นไฟภายในวัด เพราะการผู้ปฏิบัติพระกรรมาฐานที่ผู้ปฏิบัติอยู่ด้วยกันนี่มันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนิดนี้จะกระเทือนภายในถึงกันไปหมดเลยเช่นเดียวกับอวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมีการไปรเสียนกระเทือนทั้งอวัยวะนั่นแหละเห็นน้ำยกเท้าแล้วขยึดไปหมดทั้งตัวเลยเดินขยดึขยดขยึดแล้วเจ็บเป็นทุก์ไปหมดนี่ก็เหมือนกัน ลายใดที่เป็นความละแค่ราคารายใดที่ไม่ดีทําการขีดการขวางหมู่เพื่อนเข้าไปแล้วนั่นแหละลายนั้นแหละจะเหมือนกับหนามยอกทีเดียวแล้วก็เสียไปหมดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนะาะเพราะความเดี่ยวโยงกันเมื่อเราทราบชัดเจนในต้นเจตนาของเราและปัจจุบันแห่งเจตนาว่ามาปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ให้ดูหัวใจเจ้าของมันกระเพื่อมออกเรื่องอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นนี้ก่อนเช่นว่าผู้นั้นไม่ดีผู้นี้ไม่ดีผู้คิดนี้ะมันไม่ดีมันไปหาเรื่องหาลาวขึ้นมาจริงไม่จริงมันก็เอาเรื่องขึ้นมาเหมือนกระตุกกระตามเครื่องเล่นหลอกเจ้าของให้เกิดความเดือดร้อนวายสุดท้ายก็กระทกระเทอือนกันจนได้ความกระทกระเทอือนนี้หรือความทะเลาะเบาแบงกันนี้ก็ต้องสําคัญว่าตัวดีตัวถูก ความสำคัญว่าตัวดีตัวถูกโดยไม่เสียดายอธรรมเลยนั่นนั่นเป็นความผิดมากทีเดียวความสำคัญว่าตัวถูกเสียดายในความถูกของตัวออืแล้วก็คือเสียดายเรื่องของกิเลสนั่ น, นแหละจะไปเสียดายอะไรมันไม่รู้ไม่ทันนี่นะทันกิเล้ส เ, เมื่อเมื่ อ, อทะเลาะกันขึ้นมาแล้วความทะเลาะนั้นหรือเป็นธรรมความทะเลาะนั้นหรือเป็นของวิเศษความทะเลาะนั่นหรือเป็นทางมรรคผลนิพพานนั่นกิเลสมไม่ได้คํานึงแล้วตอนเนี้ยมันว่าตัวดีทั้งนั้น เปกั้นทางตัวเองเท่าไรมันก็ไม่รู้นี่คือเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้ว่าละดูกหัวใจนี่ใครติใครชมที่ไหนฟังมันลงในหัวใจใจมันจะไปว่างไงมันหิวอะไรกับเขาอืเขาติมันได้อะไรเขาชมมันได้อะไรมันรู้อยู่นี่อ่ะมันปรุงขึ้นมาแพ็ปมันก็รู้เมื่อเรารู้แล้วมันก็ดับถ้าไม่รู้มันก็เป็นภาพออกไปหลอกเจ้าของให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจนได้ นี่เป็นของสําคัญและวัดนี้ผมเป็นหัวหน้าในการปกครองทุกสิ่งทุกอย่างแน่ใจว่าปกครองหมู่เพื่อนโดยทําโดยยี่ไนเต็มความสามารถของเจ้าของที่ได้ศึกษาโรงเรียนและได้สำเนียมที่สามารถจากครูจากอาจารย์ไม่มาปกครองหมู่เพื่อนอันใดที่มันข้องใจอันไหนให้มาปรึกษาปารลอยาตั้งเป็นกฎเป็นเกณฑ์ด้วยความอวดรู้อวดฉลาด ขัดแย้งคนนั้นขัดแย้งคนนี้เดี๋ยวจะตั้งเป็น ก, ก๊กเป็นเหล่าขึ้นมาแล้วโจรตีกันในวัดกลายเป็นพวกหมาตัดกันไปนะผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งอย่าให้เห็นเรื่องอย่างนี้นะสอดตรงนั้นแทรกตรงนี้อย่างเนี้อย่าให้มีมีไม่ได้ผมพูดโกง่กงๆเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ทำยบับยาบเห็นกันอยู่เอามาอวดทําไมอืม ในเรื่องตั้งกดนั่นกดนี้ก็เหมือนกันคัดค้านผู้นั้นคัดค้านผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่อย่ามายุ่งมันทะเลาะกันนะเรื่องเหล่านี้หยาบหยาบถ้ามีข้อสุขข้ใจสงสัยตรงไหนให้ศึกษาครูบาจารย์และศึกษาหมู่เพื่อนใครศึกษาโดยเหตุด้วยผลโดยอดุธรรมอย่าศึกษาด้วยความอวดรู้อวดชาติว่าผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกับเราเป็นจอมนักปราชญ์นั่นแหละจอมโง่ที่สุดจอมชั่วชาละโมบที่สุดมันกําลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วน่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้น และสุดท้ายก็เป็นโกกเป็นเหล่าขึ้นมาเลยเข้ากับคนนั้นมาได้เข้าคนนี้มาได้เข้ากับพวกนั้นมาได้เข้าพวกนี้นมาได้นั่นแหละที่เนี่มาส่องสมนั้นนั้นแหะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมมาสร้งสมฟืนสมไฟเผ า, าศาสนามันก็เท่ากับเทวทัศน์เลยทีครู่าอาจารย์มีอยู่ไม่ยอมฟังเสียงและจุดท้ายก็แยกแยะ แ, แตกกันเป็นสังกัดเพศภายในวัดเข้ามาย่าให้ผมได้เห็นผมไม่ปรารถนาอย่างยิ่งหากถึงถ้ามมาดีแล้วผมหนีได้นะ ในภาษาก็ตามนี่จะถามจะถามองค o เลยว่าท่านนี้ยอมผิดไหมถ้าไม่ยอมผิดเรียกว่าดีหรือท่านจะอยู่หรือท่านจะไปบอกองค o เลยเราเอาท่านไปไปผมจะไปเอาเลือกกันบางนี่เลยนะแล้วจริงด้วยนะถ้าท่านอยู่อ่ะปกครองหมู่เพื่อนผมไม่ผมไม่ดีแล้วผมจะไปเลยแล้วเตรียมของทันทีไปเลยไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นเนี่ยพอเราสอนพาเพื่อพราแท้ มันไม่เกิดประโยชน์อำนาจศาสนาเราไม่มีแล้วจะอยู่ให้หนักศาสนาห น, หนักวัดหนักว่าหนักหมู่เพื่อนทําไมต้องไปนแน่ๆผมไม่สงสัยถ้าลายทำหากว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ตีกล้าไว้เลยก็ได้เด็ดขนาดนั้นะถึงคราวเด็ดเด็ดจริงนี่ค่าที่เด็ดก็อย่างนั้นเหมือนกันถึงค่าวเด็ดเด็ดตายก็อายฟัดกันเลยนี่จึงว่าเดินตายมาหาหมู่เพื่อนมาสอนหมู่เพื่อนให้เป็นอัตเต็มธรรมเรื่ อ, องความเมตตาสงสารไม่มีอันใดเจือยวพนเลยหากว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นเป็น อีกอย่างหนึ่งโกงข้ามแล้วก็ไม่ควรจะอยู่วัดสําหรับผมเองก็ดีอืมไม่มีอานาจวัสนาปกคลองหมู่เพื่อนไว้มันไม่ถูกต้องทําให้หมู่เพื่อนระแค้ระคายหมู่เพื่อนทะเลาะบอกร้งซึ่งากาันและกันบอกไม่ฟังก็ต้องไปอืถ้าพวกนี้ไม่ไปแล้วต้องไปมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่นี่เราพูดไว้ตวงหน้านะอย่าให้เห็นยายพบเราเคยเข็ดมาแล้วแม้ในขัง้งพุทธการ าัดางองคาวอธเป็นประธานอยู่มันก็ไม่ได้ไว้หน้านักดีเดตให้เอาวันนั้นมายึดมักพินิจพิจารณาเป็นคติไว้อย่าได้หลืมนะภิกษุชาวโกสัมพีฝ่ายหนึ่งเป็นเป็นขณาจารย์เป็นธรรมกัึกมีลูกศิษย์ห้าร้อยขึ้นไปฝ่ายหนึ่งเป็นวินัยทรธรรมกัึกคือนักเทพพูดง่ายๆวินัยทรคือผู้ เพ่งคัดผูท้ทรงไว้ซึ่งวินยัยพระหรือว่าทรงท่านเรียกว่าวินัยทรทรงไว้ซึ่งวินัยนี่ก็มีบริษัทบริวารถึงห้ารเหมือนกันแล้ววันวันนั้นพระธรรมศึกไปซ่วมถ่ายซ่วมแล้วก็ล้างด้วยน้ำในกระบอกเสร็จแล้วน้ำในกระบอกยังไม่หมดก็เหลือน้ำเอาไว้แล้วออกมา หลังจากพระธรรมก็ถึกออกมาแล้วเอาพระธรรมก็ถึกออกมาแล้วพระเบญจธรก็เข้าไปซ่วมแล้วไปเห็นน้ําที่เหลือไว้ในกระบอกอันนั้นออกมาก็มาต่อว่ากันเล็กน้อย น, นตามธรรมดาน้ํำในกระบอกช่วนะงสาสาธาระนั้นเมื่อถ่ายแล้วต้องให้หมดไม่ให้เหลือเอาไว้ตามหลักขุนในท่านตประวัติเง้นแต่กระบอก ช่วงนั้นเป็นของตัวคนเดียวเช่นอย่างอยู่ในช่วงของของผม ข, ของใครก็ตามในคนเดียวนั้นเหลือไม่ได้ไม่ขัดข้องท่านอนุญาตไปแล้วนะ่ยพล อ, อย่ไหแต่นี้อยู่ในช่วงสาธารณะพอออกมาแล้วก็มีต่อว่ากันพอต่อว่ากันแล้วก็องค์ที่เป็นวินัยทอก็พูดเรื่องราวของพระธรรมกติที่ทําผิดที่ไหให้ลูกศรริษย์ฟังไอ้ลูกศิษย์นี่ก็ไปไปว่าให้ลูกศรริษย์ทางด้าน อพถ้าทําก็ถกอือว่าอาจารย์ของขุเหลือน้ําไปในก็บอกไม่รู้วินัยเลยเอากันหน้าที่นี้สุดท้ายก็ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เอากันอนะ่ะทะเลาะ ก, กันแล้วยกทัพใส่กันพระพุทธเจ้ามาห้ามไม่ยอมฟังเลยอืมถือว่าดีว่าเด่นด้วยกันดังนั้นถือว่าถูกด้วยไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยพระองค์ก็เสด็จหนีเข้าไปจำพรรษาที่ป่าเลยๆนั่นนั่นแหละปีจำพรรษาที่ป่าอะไ ร, ไร ก็คือว่าห้ามไม่ฟังอะไรไม่ฟังดีเกินครูเกินอาจารย์นี่คือกิเลสมันดีเกินครูเกินอาจารย์ดีเกินพระสัสดาพระศาสดาก็ไม่พระองค์ก็คงจะคิดว่าธรรมดาเราอย่างว่าล่ะไ ม, ไม่ไม่ควรอยู่เมื่อท่านเหล่านี้ถือกิเลสเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาส ด, าด้ายิ่งกว่าเราแล้วเราก็ไม่ควรอยู่ต่อไปให้หนักวัดผูด้นั้นคงจะเป็นอย่างนั้นแล้วสเสด็จออกไปสรรัมมาสัชชีปไยอะไรเดินกระทั่งพระพระทั้งสองฝ่ายนี่ จะตายทีนี่เขาไม่ใส่เขาไม่เอาข้าใส่บาตรแล้วสิไปทั้งไหนเฮ้นี่ทำมังกรือิวิเนทรเนี่ยพระวิเนทืถ้าทำมังกรถือคือพระวิเนทรลูกศิษย์ทธทำมังกรถึอลูกศิษย์เนทรนเขาชี้หน้าชี้หน้าไปที่ไหนบินทบายไม่ได้กินเลยทีนี่อดข่าจะตายเรียว่าไงนั้นมีใครมาก็มาชี้หน้าชี้หน้านั่นน่ะพิเศษยังไงพี่นาฟังฟังที่สุดที่แรกจะของว่าวิเศษมีโซะการทะเลาะกันถึงได้ทะเลาะกันไม่ยอมพระเจ้าเลยไม่เห็นพระเจ้าวิเศษอะไรเลยอันนี้เมื่อ มันจะตายจริงๆแล้วก็พึ่งมาขอร้องให้พระ อ, อนุ์ไปรัตนาถพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมานี่เรื่องมันพระองค์จริงได้เสด็จกลับมาได้มาประทานโอวาสต่อไปด้วยความที่ท่านเหล่านี้เห็นโทษเต็มหัวใจแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมทนั้นก็ยอมรับทันทีทันทีจนได้บรรลุธรรมมากมายไกลตองนี่เรื่เรานี่เราก็ไม่อยากได้ยิน เราไม่อยากเห็นเรื่องที่ว่าไอ้เรื่องที่ดีกว่าครูกว่าอาจารย์ด้วยความรู้ความฉลาดของตนที่สําคัญตนว่า ด, ดีว่านิเศษวิโสยิ่งกว่าใครๆนั่นแหะมันจะเป็นแบบที่ว่านี่ให้พากันระมัดระวังให้มากนะรรกนทำมากระทึกเนี่ยถอนมันอยู่ใน ท, ทุกคนนั่นแหละวิเลศตัวผีเนี่ยมันแทรกเขาอยู่ในทุกคนทุกคนให้ระวังนะแล้วความสําคัญนั้นออกมาให้ตึงทราบถ้าจะทราบถ้าจะกราบพระพุทธเจ้าว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นศาสดาอุปถัมภ์จริงแล้วให้ทราบว่าพระธรรมกถาถึงนั้นก็เป็นอาจารย์อันเอกพระ อ, อ, อนุมีนท์ก็เป็นอาจารย์อันเอกที่ถือเป็นขติได้แล้วนั่นถ้าเราไม่อยากแข่งท่านด้วยวิธีการอย่างนี้นี่การเขา้าปัญญาแล้วใคตั้งหน้าต่างตาทำภาวนากันนะนไอ้เรื่องสัล า, านี่อย่ามาเพ่นเพ่นท่านท่า น, นไม่เห็นเดือดลำคาญตาจะตายละ เพ่นเพนพันผ่านด้วหายจาผลไม่ได้เพราะนี่ไม่คุยนั่นเคยปฏิบัติมาอย่างไรมันติดหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องติดหัวใจมันเคยมันชินต่อห น, นี้ใส เ, เรื่องความสงบตัวประกอบความภาคเพียนไม่เพ่นเพ่นพันผ่านนี่นะมันเป็นเรื่องที่เคยชินต่อผู้ปฏิบัติและเคยปฏิบัติกับครูว า, าจารย์มาอย่างนั้นอันนี้เมื่อมาเห็นหมูอเพื่อนเพ่นเพ่นพันผ่นน า, า, าอะไรตอนน้ดูไม่ได้มาขัดไม่พูดก็มันกลับเป็นอยู่นั้นนั่นเพราะเราเป็นผู้สอนหนูเพื่อนนี่ ทำไมเมื่อมันขัดหูกระตาทำไมมันจะไม่เป็นเลยจิ๋ก่อนเราเป็นผู้รับผิดชอบทุกด้านทุกทางมันก็ต้องดีดูเนี้อขัดตรงไหนก็ต้องรู้แหละอันนี้ให้ระวังยายุ่มยุ่มเหยอะๆมากมายนักนะดูหัวใจเจ้ของนะไม่จําเป็นให้เดินโยก็มเอามันหลงทิดหลงแดนไ ป, ปนไปไหนกิเลสนะนั่งภาวนาเหมือนกันถึงขานั่งเอาให้จริงจัง อูไหนก็ให้เป็นประกอบความประกอบความภาคเพีย่ยนยาได้ลดไปแล้วผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีตัวเป็นเรีย้ยวเอกโกทันว่าเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปและอยู่ทันว่ากล่าวไว้แล้วในธรรมนี่ก็เหมือนกันให้เป็นประหนึ่งว่าบุคคลผู้เดียวอยู่คนเดียวแม้จะมีอยู่กับหมู่เพอนตั้งหลายๆองค์ก็ตาม อารมณ์ของกิตอย่าไปยุ่งกับใครต่อใครให้ดูตัวโจรตัวมารตัวเทวทัตมันแสดงอยู่ที่หัวใจเรานั้นนะมันปรุงขึ้นเรื่องอะไรภาพมันออกไปน้อกนั่นเราไปเห็นภาพแล้ตื่นมันผู้ที่มันปรุงออกไปนี้เราไม่เห็นเหมือนกับจอหนังนั่นเนี่ยมันออกจากสี น, นี้แป๊บไปปรากฏที่จอไปดูเป็นบ้ากนันอย่นั่นมันออกจากสนนีอันนี้ก็ออกจากหัวใจมีภาพมัออกไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้ว แล้วสุดท้ายเดินโยมมีแต่เรื่องอันนี้เต็มหัวใจนั่งสมาธิภาวนามีแต่เรื่องเหลนี้เต็มหัวใจอารมณ์เผาแปามตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนะว่ามันเผาตัวเองน่ะนะยังเทินไปเรื่องของคนนั่นของคนนีไน้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ตัวเป็นบ้าอยู่ยังไม่ดูถ้าปฏินักปฏิบัติต้องรู้ต้องเพาะดูมันแยกมาก็รู้ทันทีสติไม่รู้อะไรจะรู้ปัญญาไม่ค่อยควรอะไรจะค่อยควรถ้าเราเป็นเพศที่ ให้ควรประเภทที่มีสติเป็นประเภทที่อดทนเป็นปเป็นเพศที่ให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือกั น, เ, นเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันเป็นประเภทที่เมตตาซึ่งกันและกันถ้าพระเราเป็นไม่ได้แล้วย า, าไปสอนโลกาเขาเสียว เ, เวลาเวลาแล้วหนักหูหนักใจเขาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาตัวให้มันจริงสแล้วค่อยสอนสอนคนสอนใครก็ตามตถ้าเราได้จริงได้ตเต็มเม็ดตเต็มหน่วยแล้วเขาจะเอาไม่เอาเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นอารมณ์กับใครเลย ทำประโยชน์เป็นประโยชน์แท้ๆสอนสอนด้วยความเมตตาอย่างจริงจังไม่ได้เป็นเพียงว่าคําว่าเสด็สันนี่มันจริงจิ้จริงเจ้าของสอนใครก็ตามมันสู้สอนเจ้าของไม่ได้โทษใครก็ตามมันสู <cono> ้โทษเจ้าของไม่ได้เพราะโทษเจ้าของมันเผาเจ้าของดูตัวโทษมันที่มันเถาอย่างมันทันทีนักปฏิบัติไม่ดูหัวใจนี่จะดูที่ตรงไหนโอเคอันเป็นหน้าไหน่ะ แล้วการงานอะไรเราก็ไม่ให้ทำนะเรารักษาทึงเรื่องงานของใจงานภาวนาสำคัญมากอันนี้เป็นงานที่ฝังใจฝังนิสัสเยเราจริงไม่อยากเห็นจากพกเห็นยุ่งได้ทำนันทานี่หาแต่งา น, ห า, งานหาแต่เรื่องเลยกลายเป็นพระนักธุรกิจไปแล้วไม่มองดูหัวใจเราฉันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวหางานนั้นมาทาหางานนี้มาทางานภาวนาไม่ทำ อันนี้ขวางหัวใจมากนะเสร็จแล้วภาวน า, าเดินยังกลมส่วนมากสังหานแล้วต้องเดินมากเลยนั่งมันง่วงฉันหันแล้วนี่พูดจริงๆผมไม่ไม่ค่อยนั่งนะไม่นั่งเพราะฉันเสร็จแล้วล่างบาดล่างหลายแล้วธรลุบาดสนหน้าไม่ค่อยได้ใส่แล้วถ้าถ้าอยู่องค์เดียวไม่ใส่ไปวางไว้แล้วเข้าป่าเลยถ้า อยู่กับหมูกับเพื่อนก็ต้องใส่แล้วจะพาไปคุติถ้าอยู่คนเดียวไปพอานานลําพังแล้วไม่ใส่ร mm hmm. ที่ฉันกับที่กี่พักของเรามันก็อยู่ด้วยกั น, นออกจากนี้ก็ไปนั่งถน น, นเองไ ป, ไปวางนั่งปั้นเราเข้าป่าเลย mm hmm. เอาอะไรที่นี่ mm hmm. นั่งไม่ได้ไม่งัวเออยิ่งฉันอาหารหวานขาวมีกับมากๆแล้วโว้ไอ้ชูชกมันว่าที่ทันทีอนะเนี่ย มันนักมันเป็นอยู่นั้นนะ่ะเป็นอยู่ในลิ้นในปากในท้องกันแล้วเนอลิ้นเ น, นี่ยสำคัญอันนั้นก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอร่อยไปอร่อยมากก็เลยท้องป่องเห็นแล้วมันนั่งเดินอยู่มันก็จะหลับนั่นพิษของอาหารมันทําให้ง่วงเองาแน่นอนยิ่งอาหารพวกผัดผัดมันมันด้วยแล้วโอ้ยกรมเลยชจ้านะ <h ih> ถ้าอาหารประปาก็พลิ้วั่วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาฉันเห็นแล้วจึงต้องประเดินอยู่ก็ไม่มาก อาจจะมาพักกับพักอนิดหน่อยละนั่งภาวนาคือตามปกติถ้าถ้ามันไม่หนาวนี่อย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนาตอนบ่ายตอนจากจำมัดนอนขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงคื อ, ค, อคือนั่งตามมัธยอาศัยชั่วโมงชั่วโมงครึ่งจากนั่งก็ลงเดินละที่นี่นะเอาแล้วถ้าน้าหนาว น, นั้น กลางวันแม่ก็นั่งมากมีสมนเวลาไว้เดินมากๆเพราะกลางคืนมันลงเดินไม่ได้ถึงขนาดลงเดินไม่ได้จริงๆมันตัวมันแข็งไปหมดมันหนาขนาดนั้นนะน้ําค้างนี่ไม่ทราบว่ามันไปยังไงนะเพียงขนาดสามสี่ทุ่มแล้วโอ้ยเริ่มลงแล้วนะน้ำค้างมันคือมันกอกมาเกาะอยู่บนใบไม้แล้วมันก็ตกลงมาเสียงตกปักปัก เพราะดึกเท่าเรายิ่งถีทีโหตีทีที่ห้านี่เหมือนหาฝนนะถียิบน้ำค้างแต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่เห็นหมีวะ่ะเย็นหนาวนาดไหนมันก็ไม่เห็นหมีแล้วก็เดินไม่ได้เดินนะพอประมาณทักสองทุ่มต้องเดินเข้าเช่นมันเข้าตีพ้าเช่นปลาลำอย่างนี้เราก็เข้าแล้วอัมุงนี่มันเปียกหมดนะมันเปียกได้ยังไงดูทีเราทําเป็นปลําลนมันมุ้งแขวนกดกดแขวนเงนี้ย มุ้งเปล่งขึ้นมานี่เปียกหมดจริงๆนี่นะมันเปียกได้อย่างไงนั่นะดูสิน้ำค้างอ่ะพอฉันกดเมุ้งผมเนี่ยจึงออกลาขึ้นลาขึ้นลานี่มันน่าเปียกนะแต่ทั้งๆที่มุ้งเราเนี่ยมันสะอาดอยู่มันขึ้นลาได้เห็นจริงพอฉันเสร็จแล้วนี่แหละถึงจะได้อามุ้งไปตากทุกเช้าทุกเช้าเลยมันเปียกหมดจริงๆนี่และสุดท้ายมันก็ขึ้นลาจนได้เป็นจุดดําๆ นี่พูดถึงความหนาวไม่ใช่หนาวเฉยมันมีน้ำค้างด้วยเปียกมดพอสองทุ่มนี้ชักก้าวขาไม่ออกกล้นะถ้าเราห่มผ้ากีวรเราหม่มนี่เย็นเย็นไปด้วยกันเป็นน้ำไปด้วยกันนาะวจะเริ่มเป็นน้าไปละเย็นเขาเย็นข้าแล้วขามันแข็งเข้าไปละอ่าไม่ไหว้ะเข้านั่นแ่ละที่นี่นั่งมากที่กลางคืนเพราะลงเดินไม่ได้นี่ นั่งภาวนาไอ้บางคืนไม่ได้นอนตลอดลุ่มกินก็ยังมีนะผมขออภัยโอ้ยปากนี่อะไรๆนี่มันแตกตกกะไปหมดเลยตามขอตามแขนตามหน้าอะนี้ถึงขนาดนั้น น, น, ะ, น, ะ, น, ะ, นะหน้ า, าหนาวภาวนาในป่าเป็นอย่างนั้นนะหนาวขนาดนั้นนี้ก็เรานั่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะนอน นอนมันยังไม่หลับเลยนะความหนาวมันหนาวมากแล้วหนาวมากเข้ามากเข้ า, ามันไม่หลับนี่มันมากถึงขนาดไม่หลับก็เราไม่มีผ้าห่มนี่ใครจะเอาผ้าห่มไปสําหรับผมเองนี่ไม่เคยผ้าะบงจีวรนังกาตีผ้าอัน้ําเท่านั้นแหละจะหนาวมากหนาวน้อยก็ให้มันเท่านั้นนั่นสิที่เวลามันหนาวมากๆมันนอนไห้หลับมมหลับก็รู้คุณนั่งอยู่พี่เพราะคือเรานั่งนิกิทเข้าข้างในมันก็ค่อยอบอุ่นอ่นอนเดี๋ยวก็หายเรียบเงียบเลย พอภาวนาเพิินก็เพลินความหนาวนี่หายหมดเลยนุน่นตอนออกมาจากภาวนาที่นี้ก็เริ่มหนาวละพอไปล้มนอนมันยังไม่ ห, หลับกระสินี่ความหนาวมันหนักเข้านัะเข้าสุดท้ายก็ต้องลุกขึ้นนั่งอีกนั่นสว่างเฉ ย, ย, ยก็มีบางคืนไม่หลับเลยแล้วหลับไม่ได้นั่นหนาวขนาด น, น, นั้นนะฟังดิแต่ทุกวันนี้มันมันมีน้ําค้างหนาวก็มีนั่นมีด้วยนะน้ําค้าง นี่แหละที่ระบาได้ได้สงวนเวลากลางวันจึงต้องเดินมากๆเผื่อกลางคืนมันลงเดินไม่ได้นพอชันเสร็จแล้วก็เดินได้จนกระทั่งนุ่นริบเนบงลุหรือเที่ยงถึงจะมาที่พักนอนกันนีบเดียวมันไม่มากนั่งนะแทนที่ว่ากลางคืนไม่ได้นอนบางคืนมันนอนไม่ได้นี่กลางวันมันจะนอนนองมากนี่ก็ไม่เห็นเหมือนนะพอตื่นขึ้นมานั่งไม่ให้มันเลยชั่วโมง อย่างมากเพียงชั่วโมงเดียวเพราะเราสงวนเวลาไว้สําหรับเดินออกจากนั้นก็นลงเลยอีกที่นี้เอาอีกเละจนกระทั่งปัดกวดนะปัดกวดของคนคนเดียวมันจะไปกว้างขวางอะไรเราอยู่คนเดียวเรามีบริเวณเฉพาะแต่ทางยังคมในป่าวางทางยัคงที่เราพักมันมีแห่งไหนที่ควรจะเราทําที่ไหนกลางวันมันร่มที่ตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นกลางวันไปเดินอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตอนตอนเย็นเดินอยู่ตรงนี้มัมีหลายแหง่ง คือลบแดดหลบอะไรนั่นแหละพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็อาบน้ําถ้าอาบค่อนข้ามันไม่ไหวนะ่ะมันหนาวมากนะ่ะต้องไปอาบแต่วันพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปเลยประมาณสี่มงเยนะ็นนั้นไอาบแล้วอาบก็ลงไปตามนุ่นน้ามีอยู่ในคลองลึกบ้า ง, งหรืออยู่บนเขานี่มันก็ลงไปนู่นไปอาบขึ้นมา อันนันก็เดินอาที่นี่นะจนกระทั่งถึงเวลาที่มันมันจะเดินไม่ได้แล้วถึงกลางคืนมากวันมันมีเรื่อห่มผ้าทั้งกลางวันมันหนาวกวขนาดนั้นนะถ้าไม่นี้้ถาไม่ใช่หน้าหนาอย่างนั้นเราก็เดินตามต้องการนั่งตามต้องการอยู่ชั่วโมงก็นั่งมันได้สบายๆเพราะกลางคืนเราเดินอยู่ก้มได้นไง แม่หนาวจะต้งเหนืห่อชยชะม้อนมีเวลาไว้สําหรับเดินเผื่อกันคืนมันเดินไม่ได้เด็นอย่างนั้นนะอยู่คนเดียวนีมน่มันเป็นเรื่องตื่นตัวตลอดนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นหลักธรรมชาติอะไรก็รอยู่คนเดียวมันสติมันอยู่กับตัวอยู่กับตัวไม่ไปคิดอะไรเรื่องอะไรเลยเรื่องของบุคคลคนเดียวว่างั้นเถอะไม่ยุ่งกับอะไร ญาติโยมเนี่ว่าเขาไมไ่ไปยุ่งแล้วเรามายุ่งกับเขาเนี่ยเราไปหาที่เช่นนั้ น, นถ้าไปที่ไหนถ้ามีคนลุมมาหาเราโอ้ที่ไม่ดีเลยนะเราคิดแล้วนะแม้จะสถานที่น่าอยู่ก็ไม่อยู่โยมก็จะไปควรมันไม่ได้ภาวนาสะดวกสบายต้องไปหาอยู่ที่เขาไม่สนใจนั่นแหละบินธ บ, บัตพอได้มาฉันนิดหน่อยก็พอเราไปหาเองไปดัดต้นดานเจ้าของเอเางให้เขาดัดช่วยสิ เขามียังไงเขาก็ให้ทาอย่างนั้นเท่ากับให้เขาดัดสนดานช่วยมันทร ม, มานช่วยเราไม่เป็นทานมีมากกินมากกินมากละขี้เกียจมากแล้วนอนมากด้วยนะไม่ดีต้องหาดัดดัดเยื่อยผมอยู่ในพูดในหมู่เพื่อฟังอยู่เสมอว่าผมจะว่าผมนิสัยวาสนามันหยากก็ถูกถ้าธรรมดานี่ผมไม่เรื่องนะพอนานะมันต้องได้ดัดกันจนน่นะมันไม่ซ้ำไปยังไงแต่ธรรมดา พูดภาษาตลาดเราก็คือกินธรมนนธรมดานอนธรรมดาสมาสมายภาวนา์ธรรมดาสบายไว้แล้วเท่านั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยผมทดลองดูมันหลายแง่ไหนกระทรงมันไม่ได้เรื่องทอํายังไงมันถึงจะได้เรื่องนั่นมันก็คึกคักกระซิบจิตเดี๋ยวก็ไม่พ้นนะไม่พ้นดัชนานั่นฟาลลดเลยันี่ยข้าวเราต้งกินมันออไไมเอาเป็นไงเอาไปทำ เดินโซซัดโซเซดีอนะนักแต่พอกิตมันก้าวเข้าสมาธิแล้วมันก็ดีแต่มันก็ดีในขั้นสมาธินั้นะเวลากําลังนี่ที่มันหนักมากนะฝึกหัดล้มนุกนคุกคานนี่โอ้โหหักเจ้าของเนี่ยมันทรมานมากไปถึงขั้นสมาธิแล้วมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันก็ขยเกินอีกเหมือนกันเรื่องทรมานนี่ไม่ถอยแหละ คือการการผ่อนอาหารนี่สำคัญมากสาหรับผมเองนะเพราะว่ามันเป็นพระที่ <c oughs> ย อ, ยย อ, ย อ, อยากอยู่มากนิสัย้าสนาแต่ว่าอยากก็อยากอยู่มากกันธรรมดาธรรมดาแล้วมัน <c oughs> มันไม่ได้เรื่องจริงจริงนี่นะ <c oughs> มันต้องถูกดัดถูกเด็ดลงไปแล้วจะมาสะดุดอันหนึง่งอันหนึ่งจะ้ะนั่นแหละได้ละสมาธิันก็มันก็อยู่แค่สมาธิเทีย ดัดขับไปหยีมันก็มีแง่อันนของมันให้ได้เป็นคติคติคติมันสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาโน่นที่มันมันอันนัของมั น, นจริงๆเนี่ยก็คือว่าภาคปัญญาอย่างที่กาสกี้เนี่ยภาคปัญญาอัตโนมัตินะ่ะอันนี้โอ้โหมันหมุนนึกมันตลอด จะชันมากชันน้อยมันก็หมุนเหมือนแต่มันดูอีกนะเนี่คือเวลาเราฉันธรรมดาธรรมดาเนี่ยการก้าวเดินของปัญญาประเภทนี้นะ ม, ม, มันจะมีลักษณะเครื่องช้ากว่ากันนะมันให้รู้อยู่ชัช้ยยนนี้จะไม่ให้เราดัดยังไงล่ะผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตเจ้าของท่านี่พอผ่อนอาหารลงไปหรืออดอาหารนี่ที่นี่มันโอ้มันยิ่งดีท้่มันผึงผึงผึงมันคล่งตัวหมดเลย เหมือนกัามันร้อยคมพันคมถ้าเป็นมีดก็ดีอืมันพูดไม่ถูกนะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆนี่ในวงนะหมู่เพื่อนเดียวกันของครูพูดให้ฟังจนบางทีจนแปลกประหลาดเกิดความแปลกประหลาดในจะของอัศจรรย์ของโอ้โหทําไมปัญญาเวลามันมันมันได้เกิดมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้อะเป็นอย่างนี้ก็มีนะบางครั้งโทษๆมันมันหมูนนของมันนี่แหม่ไม่ทราบว่าร้อยสันพันคมหรืกี่หมื่นกี่แสนสันพันคมมันฟาดตะที่เหล็ก มันรวดเร็วขึ้นขนาดนั้นเลยก็เมื่อเป็นเชนนั้นนะมันกิเลสมันจะไม่หมอบมันจะไม่ชี้ผาได้อย่างไรก็อันนี้มันออกสนามออกเวทีเต็มที่เต็มฐานนี่เหมือนกับว่าอ้าวอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาที่นี่มามาเถอะคือมันคุยขียอาหารนั่นสิกิเลสมันหมอบนี่เวลาถึงขั้นมันหมอบหมอบจริงนี่บางทีเหมือนกับเป็นพระหัต์น้อยๆองค์หนึ่งหายเงี่ยบไม่มีอะไรเลยเหนือมันตายหมดหรือกิเลสนี่วะมันไปไหนที่นี่วะ เวลามันดัดกูมันทํามันดัดนะกูจนน้ําตาล่วงีทีนี้กูจะฟาดมันมันไปไหนนี่มันกูเฉลี่ยมันไม่ใช่ง่ของโง่มันก็หมอบของมันนี่มันแอบมันฟัอนอย้เราก็ไม่รู้โขี่เขียวขูดความแบบนั้นก็เจอพอเจอพ้ากั็พู๋เลยนะมันเร็วขนาดนั้นนะปัญญาขั้นนี้มันไม่ได้หาออะไรหาท่าหาทางอะไรและว่าต่อสู้ทานั้นท่านี้มันไม่มีเลยถึงก็เลยขาดทะบ้านเลยนี่ถึงปัญญาขั้นที่แหลมผมมันเป็นอย่างนั้นนะ นะไม่เคยเห็นแม้ก็เห็นท่นนรารับผู้ปฏิบัติถ้าเป็นปัญญาขั้นนี้แล้วมันจะกล้าเข้าสู่แบบนี้หละไม่ไปไหนนี่คืงว่าปัญญาตโนมัสเกิดจากภาวนาเมตตาปัญญาโดยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไปหาเอามาจากอะไรเลยที่ น, เนเีเกิดในตัวเองเกิดในตัวเองเป็นในตัวเองฆ่าที่เล่นไปในตัวในตั ว, ใน ต, วในตัวของมันหมุนกิ้วนี่อย่งเหมือนได้พูดเทียบกันกับว่ามันปัญญาขั้นนี้น่ะมันก็เหมือนกับว่าอ โคกระเบือที่เขาตีกลาไว้นั่นตัวนั้นจะฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นตัวนั้นจะถูกฆ่าวันนั้นอแล้วกิเลนนี่คือเหมือนกันกิเลนอันนั้นอันนั้นนั้นจะจะถูกฆ่าวันเหมือนกับว่าจะถูกฆ่าวันนั้นวันนั้นวันนั้นคือมันแน่เลยทีเดียวทั้งทั้งที่กิเลน ก, ก็ก็ยังอยู่บนหัวใจนะแต่มันก็แน่ว่ามันจะพังให้หมดคือมันเชื่ออันนียเชื่อบัญญาประเภทนี้มันเป็นเองนี่ไม่เชื่อได้ไง มันเมื่อมันเงียบที่นี่เหมือนกับว่ามั่มีมีกิเลสมันคุยเคี่ยวหาของมันโดยหลักธรรมชาติเดียวกันนะคุยเคี่ยจนเจอเจอแล้วฟัดกันอีกแต่อย่างนั้นมันจะเป็นทุกขลายใช่ไหมทุกอางแต่สำหรับผมนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างทีจนเวลามันเหนื่อยมันเพียมากๆนะวิตกวิจาร์นะอังที่เคยพูดว่าไอ้ลมคา้แต่ก่อนเราคาดหมายไว้ว่าเมื่อภาวนา จิตละเอียดเข้าไปเท่าไรเท่าไรแล้วก็จะมีความสะดวกสบายการงานก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วสะดวกสบายเรื่ยไปเรยไปแล้วกับความจริงที่มันมาโดนเจอกันอยู่เดี๋ยวนี้ทําไมมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นนะ่ะนั่นฟังสินี่ทําไมว่าจิตละเอียดก็ละเอียดก็เห็นชัดอยู่นี่เนะละเอียดขนาดไหนนี่เห็นชัดชัดอยู่นี่แล้วทําไมความเพียรมันยิ่งหมุนมันติอย๋วที่ไม่มีวันมีคืนนะนอนก็ไม่หลับบางคืนตลอดรุ่งเลยจะว่าไง ก็ว่าไม่มันไ ม, ม, นไ ม, ไม่ไม่ปล่อยงานนี่คืองานอันนี้ยังไม่เสร็จสู้กี่เลย ย, ย, ยังยังยังยังไม่ได้แพ้เลยฉันยังไม่มีการแพ้กันชนะกันไม่ก็ฟัดกันอย่างนั้นสินอนมันก็ไม่หลับะตื่นก็นั่งขตื่นขึ้นมาก็ฟัดนอนลงไปนอนฟัดเออสุดท้ายกันเอาลงไปรเด็ยังก็ฟัดกันสุดท้ายก็แจ้งโอ้ยแล้วกันนั่นเห็นไหมมันเป็นเองมั่นนี่คือความจริงที่เราคาดไว้ผิดทั้งเพยเลยที่ว่า ยิดแลยียดเข้าไปทาเท่าไรเหยียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งอสะดวกสบายเข้าไปเรื่อยๆอย้โอย่าเลยแต่สําหรับผมนี่นะแต่ยังไงก็ตามผมเชื่ออย่างนี้อืมพอมันถึงขั้นที่มันจะเอาแล้วมันต้องตักตวงนี่ยสิสำคัญมันถึงขั้นจะพอได้มันต้องตักตวงตักตวงตักตวงนี่คือจิตขั้นตักตวงสติปัญญาขั้นตักตวงคือขั้นเห็นภัยมากเห็นโทษของกิเลสมากเห็นคุณค่าของธรรมมากเห็นคุณค่าของความหลุดพ้นมากเต็มหัวใจแล้วมันจะถอยยังไงมันหนื่งชีวิต ตะตาก็ตายที่แต่จะไม่ถอยนั่นตานสิมันก็เหนือชีวิตสินั่นแหละที่มันพาให้หมุนก็เพราะนี่เองเราก็ทราบไม่พอมีตตกอย่างนี้แล้วนี่ทาไมเวลาเราคิดไว้คิดไปอย่างนั้นแต่เวลามาเจอกันเป็นความจริงนี่นทํำไมมันจึงเป็นอย่างนี้มันก็ว่าแต่พอหยุดมีตตกภาพมันก็หมุนใส่กันอีกเลยติ๋วเลย น, นัเป็นอย่างนี้นีน่จกนกระทั่งมาหาหมู่เพื่อนนี่หมู่เพื่อนเขาไปหาผมไม่ได้นะถึงขั้นนั่นก็มีนะ คือมันเหมือนกับมันขาดถ้าเป็นเขียนหนังสือนี่ก็ใครมาหาก็ตามปากกาจะต้องถือจ่ออยู่นี่แต่ยังไม่เขียนก็ตามมือปากคุยก็อะไรเขาเรื่องอะไรแต่ปากกาจะจ่อค่อยเราจะเขียนยนี่พอเขาหันหน้าป้าหันหลังให้ป้าเอาเหละเขียนเนะนี่ยนี่เหมือนกันมีใครมาหาก็เหมือนกับความเพียรเราหยุดชะงักจ่อกันอยู่ น, นั่นไม่ต่อยไม่ตีก็จ่อกนันอยู่นั่นแล้วมีอะไรก็ปุ๋ยเดี๋ยวเขาไปพับไข่หัวเลย คมเพียรอันนี้มันเป็นนั่นเพราะนจริงมันอยู่กับใครไม่ได้กว่ะความเพียรขั้นนี้มันเป็นเองทั้งหมดอยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นหมุนกันทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางคืนกลางวันไม่ว่าทั้งนั้นแหละนี่ถึงขั้นที่ว่ามันอยู่กับใครไม่ได้มันมีนี่ผมเ ค, เคยเล่าให้ฟังบางที่ผมไปนั้นท่านจะคุณทรามเจดีที่อวิชาญาของผมเนี่ยขอไปด้วยผมจะไปทางอำเภอเมืองเขจะไปด้วยเขาไปด้วยหรือว่างถูกลงทั้งกับไป ท่าไปเขาบอโอ๊ยที่เราไงไอเรามันยังงี้จิตมันไม่ได้อยู่ที่ถอยเลยถ้าไปแล้วก็เราไปทำตามทันกลงเขาทําแล้วเขาจะไปเดินบัวไปเดินจังเดขึ้นหยู่เทียร์้วเราไปทำตรงนั้นอีกทำไปวู้ดูเขาไปดูแล้วบัวทนันกลงดีนะเขาจะไปเดินบัวไปเดินไม่ได้เลื่องแหลยชุดท่ามันก็ขำมันน้าทอนลําทอนนไปอยู่โน่น ไปทำนี่แล้วนีจะวดให้มันเต็มที่นะไนะงไงไงไงไานงไงไงไงไงไลไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงนงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไอไงไงไงไงไงไ้ไงไงองไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไอ่ะค่อยไแล้วตัวมแมลงไ ง, งนะนะไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไง้นนะีไนไะไงไงไงไงไงไงไงไงไงไงไ จุดทา้ายย้ายไปได้หรอเราก็เลยไม่ได้ไปถ้าจะฝืนนั่นไปก็ยังไงนี่แหละมันน้ําบากนี่น่ะแต่ท่าไม่เห็นในหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจท่านเป็นยังไงมันต่างกันอย่างเราแน่ใจเลยว่ามันต่างกันยังไงเมื่อมันนั้นแล้วเขาบายจะลาไปทางอะไรเขาเรียกถ้ำอะไรนะทางถ้าพระทางทางบ้านกลางบ้านอะไรไปนี่เขาเป็นโรคระบาดกันบัวเขาอีก๋ <laughs> ไม่ไม่ดีอ่ะเพราะเป็นโรคระบาดโรคอะไรนะท่านพูดท่านรู้อะไรนั่นแล้สุดท้ายเราก็ลาท่านสิคือเราไม่สะดวกในการประกอบความเป็นเนี่ยพูดง่ายๆนะทําท่านอยู่คนในป่าความจริงเนี่ยท่านกลัวท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปมันลึกมากกลัวเสือกลัวอะไรไปอย่างนั้นน่ะท่านน่ะท่านในหาอวบายไปเดินอยม่คนเขจะไปเดินมันบวบถ้เดินนี่ไปเดินเจาอหยอกอยอกแล้วนั่นก็หยุดเสีย นี่เวลาท่านอยู่แล้วเราจะไปเลยมันยังไงมันไม่เหมาะเสียความโลภเพราะท่านว่าค่อยจะไปเดินนบัวนั้น่นข้ามบนนู่นที่ตอนนั้นจะเอาจินกับจังถ้าไปอีแบบหนึ่งเ้วก็ทราบชัดว่ายังไงไม่ดีหรอกเวลาท่านออกนี้ทีนี้ท่านเปิดออกมาแล้วเป็นยโอ้ยบวยค่อยกลับไปอุดรแล้วเจ้า ก, ก็บสบายดับบัว <c oughs> ทุกคนใส่วาราเราใส่ไม่ก็ไม่ถอยล่าเลยไปเลยหนีเลยมันจะไม่มาฟัดกันอยู่เต็มที่อยู่ที่ทางเขาห่มบนคออยู่คนเดียว สนุกเลยทีทั้งวันตั้งคืน่นี่ที่ว่ามันถึงขั้นมันอยู่กับใครไม่ได้ยุ่งไม่ได้นะคือมันขาดงานของเรางานอันนี้ต้องติดต้องต่อกันต่อเวลายุ่งกับอะไรไม่ได้แขบคนมาหาไม่ได้ผ้าเนนมาหาไม่ได้ยุ่งไม่ได้มันเสียเวลานะนั้นเป็นเองมันงานนี้เป็นงานอาาัมมตโนมัติเป็นงานที่แบบเข้าได้เข่าเข็มก็ถูกอะไรก็ถูก มันึไม่เห็นว่าอะไรสําคัญยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่านี่น่ะนี่ก็แปลอีกนะที่เราว่ามันหมุนเหนี่ยวเมื่อไหร่มันจะอยู่ได้สักพีมันทําไมเป็นอย่างนี้หนักเวลาความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทําไมเมื่อไหร่มันจะอยู่ได้สักทีนะมันทําไมจะมีคนจะตายแล้วนี่น่ะเจ้าของจะตายแล้วก็จะรู้กระบวนกามันไปสุดขีดความสามารถทั้งมันแล้วมันก็แบบไม่คาดไม่ฝันนึงเหมือนกันนะ มันแปกลกอยู่นะนี่แหละที่มันทํางานทํางานอย่างที่ว่าไม่มีหลับมีตื่นแม้แต่นอนก็ก็ไม่หลับถึงตลอดรุ่งพราะฟัดกันไม่อยู่แล้วเวลามันไปสุดกําลังความสามารถของมันแล้วมันอยู่เฉยเฉลิ่นแน่นสิฟังจิ่นี่นง น, นะไอ้เรื่องที่หมุนตีวต๋วยที่นั้นไปไหนหมดก็ไม่รู้นะแล้วอยู่แบบเ ส, อสือเสือสาสาอะไยังคงกไปเล่นกับ กิ้งกูกิ้งกาเล่นกับนกกับกลาปลาเลยไม่ได้เรื่องเล่นอย่างงงก็ไม่ได้เรื่องนั่นเองา่ะมันเป็นนี่เลยมไม่ได้เรื่องก็ต้อ ง, งทุกวันเนี่ยมันไปเล่นกับกิ้งกาครับ เ, เห็นยิ้งกาก็าเล่นกิ้งกาสิเห็นเห็นอะไรสัตว์เ ข, า, ขาไปเล่นกับมันอยู่เสียแต่มันหลักใหญ่มันมีอยู่ก็คือว่าความเมตตาไม่เล่นด้วยความขนองหลักใหญ่จริงๆเนี่ยคือความเมตตาเห็นสัตว์เห็นอะไรมันวิ่งเข้าไปถึงใจดวงนั้นเลยนะ เนี่ยเห็นอะไรก็ตามพวกสัตว์ตรกนั้นมันวิ่งเข้าไปถึงกิตดวงนั้นโอ้จิตดวงนี้มันมาได้ทุกอย่างพาให้เกิดได้อย่างนี้พาให้เกิดได้อย่างนี้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรๆมีแต่จิตเข้าครองเข้าครองเข้าคลอ ง, องหมดหมดเลยแล้วอะไรเข้าคลองจิตจิตถึงได้มาตื่นอยนี้มันวิ่งถึงกันหมดที่ว่างเออมันเหมือนกับว่าเอาอยู่พักก่อนนะตามบุญตามกรมกรมซะก่อนอันนี้จังมันไม่เพียงอ่ะเมื่อมันแล้ว มันก็จะมีการผ่านพ้นไปได้เหมือนกันแนะนี่มันเป็นมันเป็นอยู่ในการเล่นของมันมีลักษณะเหมือนอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ออกปากพูดมีลักษณะนั้นรู้มันมีเรื่องอะไรนะคำหน้าก็บคำหน้าไปงั้นนอกจากมันมีเรื่องอะไรจะมามาสัมผัสอะถ้ามีเรื่องอะไรมาสัมผัสมันยับเรื่องอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่เข้าใจนี้มันจะมันจะหมุนติอยตามเลยนะ เอาจนคลี่คาดูจนเห็นเห็นผลชัดแล้วมันก็ปล่อยมันปล่อยแบบไม่มีเยื่อใยละปล่อยหายเงียบไปเลยถ้ามันยังมีอะไรอะไรนี่มันจะตามอันนี้เป็นเองอีกแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องการถอดการถอดกิเลสมันเป็นเรื่องทําทั้งหลายอั น, น, นตา่างในเรื่องราต่างต่างตา่างนะไม่ใช่เรื่องของหยิดของกิเลสหรืมั่งหรืออะไร เรื่องขา้าวภาษาก็พอเขา้าใจแล้วนะคือขา้าวรรษานั้นก็หมายถึงแค่อยู่ประจําไม่ไปข้างคืนที่ไหนเว้นแต่มีความจําเป็นที่ควรสัตหะก็ไปได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาวัดในพระวินัยท่านบอกว่าอย่างละเอียดถ้าไม่มีธุระมีจําข้อจําเป็นที่ควรจะสัตหาได้ก็ให้สัตหาจะมีความจําเป็นก็สัตตหาได้ เจตุชาอาจารย์ป่วยเป็นต้นไงหรือวัดว่าวาดทำรูปสุกโสมมากอาหไม้มาซ่อมอันนี้ก็ได้ก็อันใดที่ที่ที่เห็นจควรจะอันรมเข้ากันได้สงเครเข้ากันได้ก็ข้างกับรวมตามนั้นผบอกไว้นี่ไปได้เจ็ดวันแล้วมาข้างที่วัดอย่างน้อยหนึ่งคืนแล้วก่อนแล้ว สัะตะหะไปอีกได้อีกเจ็ดวันหรือไปเรียนปฏิมโมกสำนักอื่นนี่ในวัดไม่มีพระปฏิโมกหรือไปเรียนนี่เหมือนกันก็อยาให้ไปได้เจ็ดวันแล้วกลับมากมคือมาค้างที่วัดเราอย่างน้อยหนึ่งคืนเอาไปได้อีกไม่มีกำหนดว่าสัตะหะกี่ครั้งแล้วแต่เหตุการณ์นั้นจะ ผันผวนไปลนแปรไปยังไงก็ให้เป็นไปตามเอกสารนั้นจำไ ม, ม่อยู่นั่นแล้วท่านห้ามให้ไปจำมันสศายรพราะให้ไปข้ามคืนที่ไหนนี่อันที่เป็นของสำคัญอ่านนะอ่านนะอ่านเดี๋ยว